ในพระพุทธศาสนานี่มีคำศัพท์คำหมายที่เราอาจจะไม่เคยได้ยินมาก่อนเพราะเป็นเรื่องที่ไม่มีในโลกนี้เป็นเรื่องเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับดวงวิญญาณดวงจิตดวงใจที่เป็นของ ต่างจากร่างกายต่างจากสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้ เ, เวลาเราได้ยินได้ฟังเราก็อาจจะไม่เข้าใจว่าหมายถึงอะไรพูดถึงอะไร เ, เช่นคำว่าพระอรหันต์คำว่าพระอรหันต์คือไข่ไข ค, คือพระอรหรันต์ พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้านะที่เรากราบไหว้กันเนี่ยท่านเป็นใครทำไมท่านถึงเรียกว่าพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้านะนะคำว่าพระอรหันตคือผู้ที่สิ้นกิเลสนะกิเลสคืออะไรนะ กิเลสก็คือความโลภความโกรธความหลงที่มีอยู่ในใจของพวกเราทุกคนถ้าเรายังมีกิเลสมีความโลภความโกรธความหลงเราไม่ได้เรียกเราว่าเป็นพระอรหันต์เรียกไม่ได้จะเรียกตนเองว่าเป็นพระอรหันต์ได้ต่อเมื่อไม่มีความโลภไม่มีความโกรธ ไม่มีความหลงพระนี่คือพระอราหันต์ผู้สิ้นกิเลสแล้วพอจิตของท่านสิ้นกิเลสเราก็เรียกจิตนี้ว่านิพพานคนเดียวกันแต่มีหลายชื่อ สิ้นกิเลสคือพระอาหารหันต์พระอาหารหันต์คือจิตที่สินสส้นกิเลสจิตสิ้นกิเลสได้ก้นนิพพานนะผู้ที่จะไปนิพพานอต้องสิ้นกิเลสต้องฆากิเลสให้หมดอไปจากจิตจากใจนี่คือคําว่าพระอาหารหันต์เป็น จุดหมายปลายทางของการปฏิบัติทางพระพุทธศาสนาการปฏิบัติเช่นการทำบุญทำทานการรักษาศีลการภาวนาจะพาเราไปสู่พระนิพพานจะพาเราไปสู่พระอาหารหันต์ จะพาเราไปสู่การสิ้นกิเลสโยมีอะไรจะคุยกันก็ไปคุยข้างนอกดีกว่าน ะ, ะที่นี่เป็นที่ฟังถ้าอยากจะคุยกันเดี๋ยวไปนั่งที่ลดที่จอดรถเนะียบริเวณนั้นเพราะว่ามันจะรบกวนคนอื่น การฟังธรรมต้องการความสงบถ้ามีเสียงคุยกันมันจะรบกวนเรามาไม่ได้มาเพื่อคุยกันเรามาเพื่อฟังมาเรียนมาหาความรู้ถ้าเรามานั่งคุยกันก็อย่ามาดีกว่าเสียเวลาเปล่าๆ เ, เสียค่าน้ำมันรถ เอาเวลาไปนั่งคุยกันทำงานทำมาหากินดีกว่าถ้าไม่ต้องการจะฟังไม่ต้องการความรู้ก็ไม่ควรจะมาเพราะที่นี่เป็นที่ให้ความรู้แก่ผู้ที่สนใจผู้ที่ไม่สนใจก็ไม่ควรจะมาที่นี่เพราะจะมารบกวน คนที่เขาตั้งใจฟังเรื่องของพระพุทธศาสนาก็คือเรื่องของการยกระดับจิตใจของพวกเราที่ตอนนี้ยังอยู่ในระดับต่ำระดับของพวกเราเรียกว่าปุถุชนปุถุชนผู้ที่ยังมีกิเลสอยู่ ผู้ที่ยังมีความโลภความโกรธความหลงความอยากต่างๆอยู่เราเรียกว่าปุถุชนเป็นผู้ที่ยังติดอยู่ในไตรภพเป็นผู้ที่ยังไปเกิดอยู่ในภพทั้งสามคือการมาภพรูปภพและอรูปภพนี่คือจิตของปุถุชน ที่มีความโลภความโกรธความหลงความอยากหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายความอยากได้ลาบยศสรรเสริญความอยากไม่สูญเสียลาบยศสรรเสริญไปความอยากเหล่านี้จะเป็นเหตุที่จะพาให้จิตของปุถุชนไปเกิดไปอยู่ใน พบท้งสามพบใดพบหนึ่งขึ้นอยู่กับกรรมคือการกระทาทางกายทางวาจาและทางใจจะเป็นผู้ส่งไปออถ้าทากรรมคือทาบาปออก็จะไปเกิดในกรรมาพบส่วนต่ำส่วนที่มีความทุกข์ เรียกว่าอบายสี่อบายสี่คือเกิดเป็นเดรัจฉานสัตว์สี่เท้าพวกสัตว์ที่อยู่ในป่านี้เขาไปเขาเป็นเดรัจฉานเพราะขนาดที่เขาเป็นมนุษย์เขาทำบาปทำกรรมคือเขาฆ่าสัตว์เขาลักทรัพย์ เขาประพฤติผิดประเวณีเขาพูดปดโกโหกหลอกลวงเขาดื่มสุรายามเมาพอร่างกายเขาตายไปจิตของเขาที่ไม่ได้ตายไปกับร่างกายก็จะไปเกิดเป็นเดลฉาอถ้าเขาทำบาปด้วยความหลงด้วยความไม่รู้ว่าเป็นโทษกับเขา เขาทำเพราะเขาคิดว่าจำเป็นต้องทำจำเป็นต้องดำรงชีพเขาก็เลยใช้การทำบาปเป็นวิธีดำรงชีพพวกที่ฆ่าเพื่อเป็นอาชีพเนี่ยพวกฆ่าเป็ดฆ่าไก่ฆ่าวัวฆ่าไกา่ฆ่าวัวฆ่าควายฆ่าสัตว์อะไรต่างๆ หรือฆ่าชีวิตพวกที่เป็นเพชฌฆาตเนี่ยพวกนี้เขาก็ทำอาชีพฆ่าด้วยการฆ่าเพราะเขาไม่รู้ว่าจะมีโทษตามมาเขาคิดว่าไม่มีโทษเขาคิดว่าตายไปเขาก็ศูนย์ร่างกายตายไปเขาก็ตายไปกับร่างกายเขาก็เลยไม่กลัว ผลบาปเขาเขาไม่คิดว่าจะมีผลบาปหลังจากที่เขาตายไปแล้วแล้วเมื่ออาชีพที่เขาทำไม่ผิดกฎหมายเขาก็ไม่ถูกจับไปลงโทษนอฮะเช่นอาชีพเพชฌฆาตนี่ก็เป็นอาชีพที่ฆ่าคนได้อาชีพตำรวจทหารก็ฆ่าคนได้ ไม่มีการถูกไปลงโทษเพราะทำตามหน้าที่หรือพวกชาวประมงพวกที่ทำฆ่าปลาฆ่ า, าสัตว์ในน้ำจับสัตว์น้ำมาขายอันนี้ก็เป็นพวกที่เขาทำบาปโดยอาชีพเพื่อดำรงชีพเขาไม่รู้ว่าหลังจากที่เขาตายไปแล้ว ใจของเขานี้ไม่ได้ตายไปกับร่างกายใจของเขาจะต้องไปเกิดในอบายต้องไปเป็นเดลฉานข่าปลาก็กลับไปเกิดเป็นปลาให้เขาฆ่าข่าวัวข้าควายก็กลับไปเกิดเป็นวัวเป็นควายให้เขาฆ่าโกงกรรมคกงเกวียนสลับกันทมนี่คือ การทำบาปด้วยความหลงด้วยความไม่รู้ว่ามีผลมีโทษตามมาหลังจากที่ตายไปแล้วถ้าทำบาปด้วยความโลภอยากได้มากๆอยากมีมากๆอยากเป็นใหญ่เป็นโตทำบาปด้วยความโลภ ก, ก็จะไปเป็นเปรตนะ ทำบาปด้วยความกลัวกลัวว่าจะถูกเขาทำร้ายก็เลยทำร้ายเขาก่อนกลั ว, วจะถูกยุงกัดก็เลยฆ่ายุงก่อนกลั ว, วจะถูกมดมาทำร้ายข้าวของทำร้ายมากัดมาอะไรก็เลยฆามดการฆ่าการทำบาปด้วยความกลัว ก็จะไปเป็นอสูรร่างกายการทําบาปด้วยความอาฆาตพยาบาทด้วยความโกรธความเกลียดเครียดแค้นอันนี้ก็จะไปนรก น, นี่คืออบายอยู่ในกามะพภะกามะพภนี้มีแบ่งเป็นสองส่วนส่วนที่เป็นสุขกับส่วนที่เป็นทุกข์ แล้วก็ส่วนที่ระหว่างส่วนที่เป็นสุขและเป็นทุกข์มีส่วนที่ขั้นอยู่ระหว่างอบายกับส่วนที่เป็นสุขเรียกว่าสวรรค์ส่วนที่ขั้นอยู่เราเรียกว่ามนุษย์ภพของมนุษย์นี้อยู่อยู่ระหว่างภพของอบายกับภพบของสวรรค์แต่อยู่ในกาลมาภพเหมือนกัน การมาพบคือพบที่จิตยังเสพกามอยู่คำว่ากามก็คือเสพรูปเสียงกลิ่นรสผลตภะอย่างที่พวกเรากำลังเสพกันอยู่ในตอนนี้พวกเราต้องมีรูปเสียงกลิ่นรสผลตภะจึงจะมีความสุขเห็นไหมเวลาลิ้นได้สัมผัสกับรสนี่มีความสุขขึ้นมา เวลาจมูกได้ดมกลิ่นที่ชอบก็เกิดความสุขขึ้นมาเวลาตาเห็นภาพที่ชอบก็เกิดความสุขขึ้นมาเวลาหูได้ยินเสียงที่ชอบก็เกิดความสุขขึ้นมาเวลาร่างกายได้สัมผัสกับพุทพะก็ที่ชอบก็จะเกิดความสุขขึ้นมาอานี่คือ การอยู่ของจิตที่ต้องมีกามมาคุณห้าคือรูปเสียงกลิ่นรสผลทพะมาให้ความสุขจิตที่เสพกามก็จะต้องเกิดในกามะพบจิตทุกดวงที่อยู่ในกามะพบนี้จะเสพกามกันแม้เวลาสัตว์เดรัจฉานเขาก็เสพกาม สัตว์เดรัจฉานเขาก็มีตาหูจมูกลิ้นกายเขาก็หาความสุขผ่านทางตาหูจมูกลิ้นกายมนุษย์ก็เหมือนกันมนุษย์ก็มีตาหูจมูกลิ้นกายภพของมนุษย์นี้เป็นภพที่มีความสุขกับความทุกข์พอๆกันห้าสิบห้าสิบถ้าต่ำกว่ามนุษย์ก็มีความทุกข์มากกว่าความสุข ถ้าสูงกว่ามนุษย์คือภพของเทวดาก็มีความสุขมากกว่าความทุกข์เนี่ย น, นี่คือการมาพบหนึ่งในสามภพที่จิตที่ยังไม่ได้สิ้นกิเลสที่ยังมีความโลภความอยากจะเสพกามอยู่จะต้องติดจะต้องกลับมาเกิดอยู่เรื่อยๆจะเกิดสูงเกิดต่ำก็อยู่ที่บุญที่ทำเอาไว้ เวลาตายไปถ้าบาปทำบาปมากกว่าทำบุญบาปจะดึงจิตให้ลงไปสู่อาบายก่อนแล้วก็ไปใช้บาปจนกว่าบาปกับบุญจะเท่ากันพอบาปกับบุญเท่ากันก็กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่มาทำบุญทำบาปใหม่แล้วพอตายไปถ้าบุญมีมากกว่าบาปบุญก็จะดึงไปสวรรค์ ไปเป็นเทพชั้นต่างๆเทวดานี่ก็มีหลายชั้นเพราะการทําบุญมีมากมีน้อยไม่เท่ากันจึงไม่ได้ไปเกิดที่ชั้นเดียวกันเหมือนมีเงินไปจ่ายค่าโรงแรมเนี่ยโรงแรมก็มีหลายชั้นชั้นหนึ่งดาวสองดาวสามดาวมีเงินมากก็ไป อยู่โรงแรมที่มีดาวมากได้ห้าดาวมีเงินน้อยก็อยู่โรงแรมดาวเดียวหรือถ้ามีน้อยกว่า น, นั้นก็ไปอยู่ตามเกสตเฮาส์ไปอยู่ตามหอพักอันนี้ก็เป็นเรื่องของบุญที่ทำไว้ทำบุญมากก็จะได้สวรรค์ชั้นสูง สวรรค์ยิ่งสูงขึ้นไปก็ยิ่งมีความสุขมากขึ้นไปแต่สวรรค์ก็ต้องเสื่อมพอบุญหมดเหมือนกับเงินหมดไปอยู่โรงแรมเงินหมดก็ต้องออกจากโรงแรมเขาไม่ให้อยู่ต่อก็ต้องกลับมาเป็นมนุษย์ใหม่เวลาบุญกับบาปมีกําลังเท่ากันบุญก็ดึงไปสวรรค์ไม่ได้บาปก็ดึงไปอบายไม่ได้ จิตก็เลยต้องมาอยู่กงกลางระหว่างสวรรค์กับบายคือพบของมนุษย์มาเกิดใหม่มาเกิดมาแกมาเจ็บมาตายมาทำบุญทำบาปใหม่นี่คือที่มาที่ไปของอพวกที่มาเกิดในการมาพบอย่างพวกเราตอนนี้พวกเรา บุญกับบาปมีกำลังพอๆกันเราก็เลยมาเกิดเป็นมนุษย์กันพอเรามาเกิดเป็นมนุษย์เดี๋ยวกเ็เราก็เริ่มทำบาปทำบุญกันเวลาอยากได้อะไรถ้าไม่มีซื้อเองไม่ได้ก็อาจจะไปขโมยของคนอื่นมานี่ก็เริ่มทำบาปน ะ, ะเวลาทำเวลาพูดปดก็เริ่มทำบาปนะ เวลาฆ่าสัตว์เล็กสัตว์น้อยฆ่ามดฆ่าแมลงอันนี้ก็เริ่มทำบาปแล้วบาปก็จะเป็นบัญชีบัญชีบาปก็จะเหมือนก็จะมีตัวเลขบวกขึ้นไปเรื่อยๆทำบาปครั้งหนึ่งก็มีตัวเลขบาปแต่ละชนิดก็มีตัวเลขไม่เท่ากันมีบาปหนักบาปเบาบาปหนักก็ เป็นการกระทาที่สร้างความเสียหายมากบาปก็มากถ้าสร้างความเสียหายให้แก่ผู้อื่นน้อยบาปก็น้อยอยากจะรู้ว่าเราทำบาปหนักบาปไม่หนักก็ดูที่ความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการกระทาของเราการสูญเสียเช่ここนการฆ่าเนี่ย มีหนักมีเบาคนที่เราฆ่าสิ่งที่เราฆ่านี้มีคุณค่าไม่เท่ากันถ้าเราฆ่าคนที่เราไม่รู้จัก<ม>เช่นขโมยมาขึ้นบ้านแล้วเราป้องกันตัวเราฆ่าเขายิงเขาตายอันนี้บาปไม่หนักเท่ากับฆ่าพ่อฆ่าแม่พ่อแม่มีพระคุณมากมีคุณค่ามากสำหรับเรามีพระคุณกับเรามาก ส่วนขโมยนี้ไม่มีพระคุณกับเรามีแต่โทษค่าสิ่งที่เป็นโทษกับเรานี้บาปน้อยกว่าค่าสิ่งที่มีบุญคุณกับเราค่าขโมยข่างูพวงนี้เป็นสิ่งที่มีพิษมีภัยกับเราข่าเขาบาปไม่หนักเท่ากับข่าคนที่มีบุญคุณข่าครูบาอาจารย์อย่างนี้ท่านมีพระคุณกับเรา สั่งสอนเราข่าคนที่เขามีบุญคุณกับเราถึงแม้ไม่เป็นพ่อเป็นแม่ uh, คนที่เขามีพระคุณกับเราคนที่ช่วยเหลือเราเ uh, วลาเราเดือดร้อนเขาช่วยเหลือเราเ้า uh, เราไปฆ่าเขานี่บาปจะหนักกว่าฆ่าคนที่ไม่มีบุญคุณกับเรา uh, uh, บาปจะหนักหรือไม่บาปหนักขึ้นอยู่ที่ uh, ความเสียหาย uh, คนที่ก็มีบุญคุณกับเราเนี่เสียหายมากกว่าคนที่ไม่มีบุญคุณกับเราเอนี่บาปจึงมีต่างกันนระกจึงมีหลายขุมมี เ, เหมือนคุกมีโทษติดมีเป็นกี่ปีกี่ปีต่างกันไปโทษเบาก็ติดแค่หนึ่งปีโทษหนักหน่อยก็ห้าปีสิบปีว่าไปตามความหนักเบาของโทษ การฆ่าก็เหมือนกันการฆ่าที่มีน้ำหนักมากมากที่สุดเท่ากันมีอยู่ห้ามีอยู่สี่ข้อคือฆ่าพ่อฆ่าแม่ฆ่าพระอรหันทรสามข้ออีกสองข้อที่หนักเท่ากับฆ่าพ่อฆ่าแม่ก็คือทำให้สงแตกแยกทำลายศาสนาพุทพูดง่าย ผู้ที่ทำลายศาสนาคุทธ ท, ทำให้สงแตกแยกนี่ก็ถือว่าหนักเท่ากับฆ่าพ่อฆ่าแม่หรือทำให้พระพุทธเจ้าห่อเลือดไม่ได้ถึงกับฆ่าเพียงแต่ทำให้ทาลายพระพุทธเจ้าให้เกิดให้ห่อเลือดเพราะอะไรเพราะพระพุทธเจ้านี้มีพระคุณมากยิ่งกว่าพ่อกับแม่อีกเพราะพ่อแม่เพียงแต่ให้กำเนิดเราเลี้ยงดูเรา แต่ยังไม่ช่วยยังทําให้เราหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดไม่ได้แต่พระพุทธเจ้านี่เป็นคนเดียวเท่านั้นที่จะช่วยเราให้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้เพราะคุณของพุทธเจ้าจึงยิ่งใหญ่ยิ่งใหญ่กว่าพระอาหารหันต์เพราะพระอาหารหันต์นี้ต้องมีพระพุทธเจ้ามาสอนถึงจะเป็นพระอาหารหันต์ตสาวกขึ้นมาได้ะ อันนี้ก็กลับมาคำว่าพระอาหารหันต์ที่เมื่อกี้พูดถึงพระอาหารหันต์นี้ก็มีอยู่สองชนิดผู้สิ้นกิเล่นนี่มีสองแบบสิ้นกิเล่ด้วยตนเองเรียกว่าพระอาหารหันต์ตะสั ม, มาสามพุทธเจ้าหรือพระพุทธเจ้าโดยยอ่อสิ้นกิเล่ด้วยการเรียนจากพระพุทธเจ้าเรียกว่าพระอาหารหันต์ตะสาวก สาวกแปลว่าผู้ฟังผู้ศึกษา เ, ออเนี่ยพาหันก็มีสองแบบอรหั น, หนี่หนึ่งก็คือเรียนรู้ด้วยตนเอง เ, ออเช่นส ม, มณะณโคดมออไปศึกษากับอาจารย์ต่างๆก็ไม่มีองค์ใดรู้วิธีที่จะหลุดพ้นจากความทุกข์ได้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้ เมื่อไม่สามารถหาคนสอนได้ก็เลยต้องพึ่งตนเองต้องศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองจนในที่สุดก็ค้นพบพระอริยสัจสี่ความจริงที่ทำให้สัตว์โลกติดอยู่และหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดก็เลยเรียกตนเองว่าพระอารหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นพระอารหันต์ด้วยตนเอง เราก็จะเรียกสั้นๆว่าเป็นพระพุทธเจ้าถ้าเป็นพระอาหารหันต์เพราะได้เรียนจากพระพุทธเจ้าเราก็เรียกว่าพระอาหารหันต์ตัสสาวกเราก็เรียกสั้นๆว่าพระอาหารหันต์ความจริงแล้วพระอาหารหันต์นี้ก็หมายถึงพระพุทธเจ้าด้วยหมายถึงพระอาหารหันตัสสาวกด้วยเพราะเป็นผู้สิ้นกิเลสเหมือนกันเป็นจิตที่ ถึงพันนิพพานเหมือนกันเป็นจิตที่เป็นพันนิพพานคาว่านิพพานก็คืออยู่นอกโลกของการเวียนว่ายตายเกิดนั่นเองเอาพานนิพพานนี้เป็นที่ที่จิตไม่ต้องไปเวียนว่ายตายเกิดไม่ต้องกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ไม่ต้องเป็นเทวดาไม่ต้องเป็นเดรัจฉานไม่ต้องเป็นเปรตเป็นอะไร อ, อันนี้ก็คือ คำว่าพระอาหารหันต์มีสองชนิดแล้วคำว่าพระพุทธเจ้านี่ก็มีสองชนิดอีกเหมือนกันพระพุทธเจ้าบางองค์เมื่อตัดสั้นเป็นพระพุทธเจ้าแล้วก็สั่งสอนสัตว์โลกก็คือก็จะมีพระพุทธศาสนาปรากฏขึ้นมามีพระธรรมคําคสอนมีพระอริยสงสาวกตามมา อันนี้เรียกว่าพระอาหารหันต์ตัสมาสามพุทธเจ้าตัดสั้โดยชอบแล้วก็เผยแผ่ธรรมะให้แก่สัตว์โลกส่วนพระพุทธเจ้าที่ไม่สอนใครเราก็เรียกว่าพระปัิเจกพบพุทธเจ้าเราจะไม่รู้ว่ามีพระปฏิเจกพบพุทธเจ้ามาปรากฏในโลกนี้เพราะท่านไม่บอกใครท่านไม่สอนใครท่านเป็นพระอาหารหันต์เป็นพระพุทธเจ้าแต่ท่านปิดปากเงียบ ไม่บอกใครแล้วก็จะไม่มีใครรู้ว่ามีพระพุทธเจ้าอยู่ในโลกนี้ในตอนนี้แต่ถ้าเป็นพระพุทธเจ้าที่สั่งสอนเราก็จะรู้อย่างเจ้าชายเสตตะที่บวชเป็นพระสมมาณโคดมแล้วได้ตัดสั้เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าหลังจากได้เป็นพระพุทธเจ้าแล้วก็สั่งสอนธรรมะแก่สัตว์โลก ก็มีพระพูดที่ที่ได้ศึกษาได้ยินได้ฟังก็บรรลุเป็นพระอาหารหันตสาวกกันขึ้นม า, าก็เลยมีการสืบทอดคำสอนกลายเป็นพระพุทธศาสนาขึ้นม า, าะจะมีพระพุทธศาสนาได้จะต้องมีพระอาหารหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าคือนอกจากเป็นพระพุทธเจ้าแล้วยังต้องสั่งสอนผู้อื่น พอเมื่อสั่งสอนก็จะมีพระอาหารหันตสาวกปรากฏขึ้นมาที่จะมาทําหน้าที่ถ่ายทอดคําสอนให้แก่ผู้อื่นต่อจากพระพุทธเจ้าเพราะพระพุทธเจ้าร่างกายของท่านก็เหมือนกับร่างกายของผุุ้ชนอย่างพวกเราเกิดแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเหมือนกันไม่ใช่เป็นพระพุทธเจ้าแล้วร่างกายจะอยู่ไปตลอดเอร่างกายก็ยังเหมือนเดิม ร่างกายเป็นปุทรชนก็ต้องเป็นปุตชนเหมือนเดิมที่เป็นอรหันนี้เป็นที่จิตใจจิตใจไม่ไปเกิดแล้วไปอยู่ที่นิพพานร่นางกายก็ต้องตายไปถ้าพระพุทธเจ้าไม่สั่งสอนใครก็จะไม่มีใครรู้ธรรมะคำสั่งคำสอนก็จะไม่มีใครสามารถรับประโยชน์จากความรู้ที่พระพุทธเจ้าได้ส่งคนพบได้ แต่ถ้าพระพุทธเจ้าสั่งสอนเอาธรรมะมาสั่งสอนก็จะมีผู้ศึกษาผู้ปฏิบัติตามพอมีการศึกษาปฏิบัติตามก็มีการบรรลุเป็นพระอริยบุคคลขั้นต่างๆขั้นสูงสุดก็คือขั้นพระอรหันต์นี่อันนี้ก็มีความมีคำที่เราไม่รู้จักอีกสี่คำ นอกจากพระแล้วก็มีพระโสดาบันพระสกิดาคามีพระอนาคามีอันนี้ก็เป็นพระอริยะบุคคลผู้ที่หลุดพ้นจากความทุกข์ในระดับต่างๆการหลุดพ้นจากความทุกข์ในการปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้านี้มีอยู่สี่ระดับด้วยกัน หลุดพ้นจากความทุกข์ระดับแรกก็เรียกว่าพระโสดาบันหลุดพ้นระดับที่สองก็เรียกว่าพระสกิดาคามีหลุดพ้นระดับที่สามก็เรียกว่าพระอนาคามีหลุดพ้นระดับที่สี่คือหลุดพ้นอย่างเต็มร้อยก็คือพระอรหันต์พระโสดาบันยังติดอยู่อีกเจชาติพระสกิดาคามีขั้นที่สองติดอยู่อีกชาติหนึ่ง พระ อ, อนาคามีนี้ไปติดอยู่ที่รูปภพกับอรูปภพนี่ยังมีอีกสองภพนอกจากกามภพแล้วก็ยังมีรูปภพกับอรูปภพที่เป็นภพที่มีความสุขมากกว่ากามภพผู้ที่จะไปสู่รูปภพอรูปภพได้ต้องเป็นผู้ที่สามารถเข้าฌานได้นั่งสมาธิเข้าฌานฌานก็มีสองระดับ รูปประชานกับอรูปประชานทำไมถึงมีสองระดับก็มีความสุขมีความละเอียดไม่เท่ากันนั่นเองมีความสงบไม่เท่ากันความสงบของรูปปัจจานนี้สู้ความสงบของอรูปประชานไม่ได้ความสุขความสุขของรูปประชานก็สู้ความสุขของอรูปประชานไม่ได้ผู้ที่จะ เข้าสู่รูปฌปานก็ต้องมีสติกําลังที่จะทำให้จิตสงบได้เป็นอุเบกขาได้ถ้าอยากจะให้สงบมากกว่านั้นก็ต้องมีสติที่มีกําลังมากกว่านั้นอีกถึงจะเข้าสู่รูปอรูปภพได้รูปภพกับอรูปภพก็เหมือนกามาพบเป็นพบที่ต้องเสื่อมกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่เพราะ สติที่ส่งให้จิตไปสู่รูประพบก็จะเสื่อมหมดกําลังลงเหมือนน้ํามันรถที่เติมแล้วพอขับไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็หมดถังสติที่ส่งให้จิตไปเกิดในรูประพบอรูประพบเมื่อหมดอ่อนกําลังลงจิตก็จะตกลงมาจากรูประพบอรูประพบก็ลงมาสู่รูประพบอยากรูประพบก็ลงมาสู่กามะพบ มาสู่ภพของเทวดาจากภพของเทวดาก็ลงมาสู่ภพของมนุษย์ทำไมยังต้องกลับมาก็เพราะว่ายังไม่ได้กาจัดตัวที่ทำให้กลับมาเกิดนั่นเองตัวที่กลับมาเกิดก็คือกิเลสตัณหามีพระพุทธมีพระอาหารหันต์คือพระพุทธเจ้ากับพระอาหารหันตสาวกเทนั้นที่ไม่กลับมาเกิด พราะท่านกำจัดกิเลสตัณหาได้หมดพระอริยบุคคลอีกสามขั้นยังกำจัดกิเลสตัณหาไม่ได้หมด1้อยเปอร์ซนตพระโสดาบันก ำ, กำจัดได้เพียงยี่สิบห้าเปอร์เซ็นตก็เลยยังต้องกลับมาเกิดอีกอย่างน้อยก็เจ็ดอย่างมากก็เจ็ดชาติพระสกิดาคามีก็กำจัดกิเลสตัณหาได้ห้าสิบเปอร์เซ็นต ก็กลับมาเกิดในการมาพบอีกหนึ่งชาติพระอนาคามีกําจัดกิเลสตัณหาได้เจ้าเปอร์ซก็กลับมาเกิดในรูปภพกับอรูปภพพระพาอารหัน์นี้กําจัดกิเลสได้หมดที่เราเรียกว่าผู้สิ้นกิเลสก็คือพระอารหันน์เท่านั้นพระอาริยะบุคคลยังไม่อีกสามขั้นยังไม่ถือว่าสิ้นกิเลสหมด สิ่งกิเลสเพลงบางส่วนะก็ยังติดอยู่ในไตภพอยู่พระโสดาบันกับพระอสกิดาคาเมยังติดในอยู่ในกามมรมาพบพระอนาคาเมยังติดอยู่ในรูปภพกับอรูปภพอยู่มีพระอารหันต์เท่านั้นที่ไม่ติดอยู่ในไตภพไม่ติดในากามมรมาพบไม่ติดในรูปภพไม่ติดในอรูปภพ เราก็เรียกจิตของท่านว่านิพพานอยู่ที่นิพพานจิตนิพพานคือที่ไม่มีการเวียนว่ายตายเกิดนี่ก็คือเรื่องของจิตของพวกเราที่จะพัฒนาขึ้นไปตามลําดับถ้าเราได้มาพบกับพระพุทธศาสนาถ้าไม่พบกับพระพุทธศาสนาจะไม่มีใครสอนเรื่องจิต ได้อย่างละเอียดถึงทุกสัตว์ทุกส่วนกบถ้วนบริบูรณ์ศาสนาอื่นก็สอนเลือกจิตเหมือนกันแต่สอนได้แค่ขั้นยังติดอยู่ในใจพบอยู่บางศาสนาก็สอนให้ทำบุญให้รักษาศีลนี่ก็สอนให้ไปสู่เทวภพกันบางศาสนาก็สอนให้นั่งสมาธิด้วย ถ้านั่งสมาธิด้วยก็ไปสู่อรูปรปภพกับอรูปภพนะแต่ไม่มีศาสนาไหนที่สอนให้กําจัดกิเลสให้หมดไปจากใจเพราะไม่มีศาสนาไหนที่รู้ว่าการเวียนว่ายตายเกิดนี้เกิดจากการมีกิเลสนี้เองเกิดจากการมีความโลภความอยากต่างๆนะถ้าอยากจะยุติการเกิด ในตายพบก็ต้องกำจัดความโลภความอยากต่างๆและเครื่องมือที่จะกำตัดนอกจากศีลสมาธิแล้วก็ยังต้องมีปัญญาศาสนาอื่นสอนเรื่องศีลเรื่องสมาธิสอนเรื่องทาบุญแต่ไม่มีใครสอนเรื่องปัญญาปัญญาก็คือการรู้ว่าการมาเกิดเวียนว่ายตายเกิดอยู่เรื่อยๆ เกิดจากกิเลสตัณหาสามประการคือกามตัณหาภวะตัณหาวิภวะตัณหากามตัณหาคือความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสภาวะตัณหาคือความอยากในราบยศสรรเสริญภาวะก็คือสภาพอยากจะรวยนี่ก็เป็นสภาพหนึ่งอยากร่ำรวยอยากเป็นใหญ่เป็นโต อยากมีหน้ามีตามีชื่อมีเสียง เ, ออเรียกว่าลาบยศสรรเสริญแล้วก็อยากหาความสุขจากรูปเสียงกลิออ่นรสก็เรียกว่ากามตัณหาอยากก็อยากได้ลาบยศสรรเสริญก็เรียกว่าภาวะตัณหาอยากไม่สูญเสียลาบยศสรรเสริญก็เรียกว่าวิภาวะตัณหาถ้ายังมีความอยากเหล่านี้อยู่ในใจอยู่ ใจก็จะต้องกลับมาเกิดอยู่เรื่อยๆร่างกายตายไปแต่ใจยังอยากเสพรูปเสียงกลิ่นรสก็ไปหาร่างกายอันใหม่มาเกิดใหม่ไปหาพ่อแม่คนใหม่ใครกําลังแต่งงานก็จะมีดวงจิตดวงวิญญาณนี้ไปเข้าคิวกันเยอะเลยไปรอรับร่างกายอันใหม่เนใครจะได้รับก็อยู่ที่บุญมั้งอยู่ที่กําลังของบุญ ใครมีพลังมากกว่ากันถ้าเป็นเหมือนเด็กสอบเอ็นทาร์นก็ใครมีคะแนนดีกว่ากันเขาก็จะเลือกเอาเด็กที่มีคะแนนดีกว่าใครที่จะได้เกิดเป็นมนุษย์ก็อยู่ที่ว่าจิตนั้นของใครมีบุญบรารมีมากกว่ากันมีความดีมากกว่ากันหรืออาจจะเป็นเรื่องของจับฉลากก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะคนที่มาเกิดมีทั้งดีไม่ดี ปนกันมาคนดีก็มีมาเกิดคนชั่วก็มีมาเกิดอาจจะเป็นเรื่องจับฉลากมากกว่า <c oughs> ใครเหมือนกับเหมือนกับขับรถหาที่จอดรถเนี่ยใครขับไปเจอที่ว่างตรงไหนก็เข้าไปก่อนน่าจะเป็นอย่างนั้นมากกว่าเราไม่รู้เรื่องนี้พระพุทธเจ้าบอกเป็นอ จ, จินไตยอธิบายไม่ได้ก็คิดว่ามันเป็นเรื่องของจังหวะดีกว่า โอกาสเหมือนกับเราหาที่จอดรถเนขับรถไปหาที่จอดไปพอดีโชคดีรถคันนั้นออกมาพอดีพอเขาออกเราก็เลยจอดรอให้เขาออกมาก่อนพอออกปับ๊บเราก็เข้าไปเลยอันนี้ก็เหมือนกันเราอาจจะแวะไปบ้านนู้นบ้านนี้จังหวะพอดีบ้านนี้กําลังจะตั้งคันพอดีอาก็เลยโชคดีก็เลยเสียบเข้าไปเอ ใจก็ไปเกาะติดกับร่างกายอันใหม่ทันทีก็เกาะติดที่ตาหูจมูกลิ้นกายเพราะใจมีความอยากหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายก็เลยก็จะได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์แต่ถ้าเราตัดความอยากที่จะหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายได้เราก็ไม่ต้องไปหาร่างกายการจะตัด การไม่ใช้ร่างกายไม่หาความสุขผ่านทางร่างกายได้เราต้องมีวิธีหาความสุขแบบอื่นถ้าเรายังไม่มีวิธีหาความสุขแบบอื่นอยู่แบบใหม่อยู่เราก็ต้องเอาความสุขแบบเก่าพวกที่หาความสุขแบบใหม่คือพวกที่ไม่ต้องใช้ร่างกายใช้การฝึกสมาธิการใช้สติอันนี้เป็นการหา ความสุขแบบใหม่ความสุขแบบที่ไม่ต้องใช้ร่างกายออพวกที่ฝึกสมาธินี้จะเป็นพวกที่ไม่ต้องใช้ร่างกายเพียงแต่นั่งหลับตาจเจริญสติให้ควบคุมจิตให้ไม่คิดปุงแต่งให้ให้นิ่งให้สงบได้ก็จะได้พบความสุขอีกรูปแบบหนึ่งที่เป็นความสุขที่ดีกว่าความสุขที่ได้จากการเสบรูปเสียงกลิ่นรสผลิตภัณฑ ผู้ที่ได้สมาธินี่ก็จะไม่ต้องกลับมาไม่ต้องไปเกิดในกามภพไปเกิดในรูปภพกับอรูปภพภพที่ไม่ต้องไม่เสบกามภพที่เสพความสงบแทนแต่ยังสมาธิอย่างเดียวยังไม่สามารถกําจัดกิเลสตัณหาให้หมดไปได้ สมาธิเพียงแต่กดมันเอาไว้คุมไว้เหมือนยาคุมกำเนิดแต่ยังถ้าไม่ได้ใช้ยาคุมเมื่อไหร่ก็เดี๋ยวก็เกิดการตั้งคันขึ้นมาได้ทันทีสมาธิก็แบบนั้นเป็นเหมือนยาคุมกำเนิดของกิเลสตัณหานากิเลสตัณหาไม่ตายจากสมาธิจะตายนี่จะต้องใช้ปัญญา จะต้องรู้ว่ากิเลสตัณหานี้เป็นตัวต้นเหตุของการกลับมาเกิดแก่เจ็บตายต้องเลิกเสพต้องเลิกเลิกเลิกทาตามกิเลสตัณหาพวกที่เข้าฌานได้นี่เวลาออกจากสมาธิมาก็เกิดความโลภเกิดความหลงได้แล้วก็ไปทาตามความโลภความหลงต่อไปเจึงต้องกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่หลังจากที่ ชาญเสื่อมไปหมดไปแต่พวกที่ไม่กลับมาเกิดเป็นมนุษย์หลังจากที่ได้ชาญได้ความสูงทางทางทางใจแล้วก็คือพวกที่มีปัญญาพอออกจากสมาธิมาพอเกิดความอยากจะเสพรูปเสียงกลิ่นรสก็ห้ามไว้บอย่าไปถ้าไปแล้วต้องติดเหมือนคนติดบุหรี่ติดเหล้าถ้าไม่อยากจะติดเหล้าติดบุหรี่อย่าไปลิ ถึงแม่อยากจะสูบก็อย่าสูบถึงแม่อยากจะดื่มก็อย่าดื่มเพอเราไม่ดื่มเราไม่สูบตามความอยากต่อไปความอยากก็จะหมดกำลังไปเอแล้วต่อไปก็ไม่ติดบุหรีไม่ติดสุราชั้นใดผู้ที่ไม่ติดรูปเสียงกลิ่นรสผลพทพะผู้ที่ไม่ติดราบยศสรรเสริญก็จะไม่ต้องกลับมาเกิดอีกต่อไปเอออันนี้ต้องมีปัญญามีคนมาบอกว่า อะไรเป็นเหตุที่ทำให้เรากลับมาเวียนว่ายตายเกิดเหตุที่ทำให้เรามาเวียนว่ายตายเกิดก็คือกามตัณหาภาวะตัณหาวิภวะตัณหานี่เองฉพรานพอเราออกจากสมาธิมาพอเราอยากจะเสพกามอยากจะดูอยากจะดูลายอยากจะดูอะไรอยากเปิดมือถืออยากจะดูนั่นดูนี่ก็เปิดมันะ นอกจากมีธุระมีเหตุจําเป็นอันนี้ไม่ได้เป็นความอยากแต่ถ้าอยู่เฉยๆไม่รู้จะทำอะไรเหงาเปิดดูสัหน่อยสิว่าเพื่อนฝูงกำลังว่าอะไรกันอยู่ใครไปไหนมาไหนใครไปกินไปเด่มอะไรที่ไหนอยากจะรู้อยากจะเห็นเนี่ยเรียกว่าความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสก็ต้องอยากทำตามหรืออยากกินขนมถ้ายังไม่ถึงเวลาจะกินก็ห้ามกินถ้าอยากจะดื่มกาแฟ ถ้ายังไม่ถึงเวลาจะให้ดื่มก็อย่าดื่มออต้องควบคุมบังคับออการดื่มการรับประทานต้องมีเว ล, เวลาออของพระพุทธเจ้านี่ท่านสอนให้พระกินหน่เดียวออถ้าอยากจะกินขนมกินอะไรรอไปกินตอนเช้านู่นออถ้าอยากจะดื่มน้ำปานะก็รอตอนบ่ายออให้ดื่มน้ำปานะได้หนึ่งครั้งตอนบ่ายนอกนั้นถ้าอยากจะดื่มก็ดื่มน้าเปล่า พอต้องร่างกายนี้ต้องการน้ำํำต้องการน้ําเปล่าไม่ต้องการน้ําที่มีสีมีกลิ่นมีรสเช่นน้นําชากาแฟเอน้ําปานะอะไรต่างๆอันนี้ไม่ต้องดื่มร่างกายไม่ตายแต่ถ้าไม่ได้ดื่มน้ําร่างกายก็ตายได้อดื่มน้ําไม่เป็นกิเลสดื่มกาแฟเป็นกิเลสเข้าใจไหม ถ้าอยากจะสิ้นกิเลสก็อย่าไปดืม่มกาแฟอย่าไปดืม่มอย่าไปอยากดืม่มดื่มได้ดื่มตอนที่มีเวชอนุญาตให้ดื่มเช่นดื่มดื่มวันละหนึ่งครั้งอย่างนี้กินก็กินวันละหนึ่งครั้งเออย่างนี้กินแบบสิ้นกิเลสคนสิ้นกิเลสเขากินกันอย่างนี้ดื่มกันอย่างนี้คนที่มีกิเลสนี้ไม่มีเวลามเวลาอยากเมื่อไหร่ก็เอาเมื่อนั้นถึงต้องกลับมาเกิดมาแก มาเจ็บมาตายอยู่เรื่อยๆ อ, อันนี้คือเรื่องของจิตเรื่องของศัพท์ต่างๆที่เราได้ยินได้ฟังเป็นคอนเซปต์ใหม่ๆเป็นความรู้ใหม่ๆที่เราไม่ได้เรียนในทางโลกกันทางโรงเรียนเขาจะมีคอนเซปต์ของเขาเรียนบัญชีเขาก็จะมีรายรับรายจ่ายมีแหวนมีภาษีมีอะไรต่างๆเอ เรียนวิทยาศาสตร์เขาก็จะมีโมเลกุลมีอะตอมมีอะไรต่างๆก็มีคำศัพท์ของแต่ละวิชาที่เราต้องเรียนรู้กันพุทธศาสนาก็มีคำศัพท์ที่ต่างจากคำศัพท์ต่างๆที่เราต้องเรียนรู้กันวันนี้ก็มาให้คำศัพท์หลายอย่างยังไม่หมดยังมีอีกเยอะนี่เป็นศัพท์ส่วนส่วนใหญ่ ส่วนละเอียดก่อนนั้นก็มีอยู่เช่นวิธีกา ร, รการทำบุญทำทานก็มีหลายวิธีการให้ข้าวของเงินทองเราก็เรียกว่าวัตถุทานถ้าเราไม่มีข้าวของเงินทองแต่เรามีความรู้เช่นเราสอนสอนพิเศษสอนวิชาคณิตศาสานหรือหรือวิทยาศาสร์ หรือภาษาอังกฤษสอนโดยไม่เก็บตังค์อย่างนี้ก็เรียกว่าวิทยาทานเป็นการให้เหมือนกันแทนที่จะให้เข้าของเงินทองก็ให้ความรู้หรือถ้าเรารู้เรื่องธรรมะเราให้ธรรมะก็เรียกว่าให้ธรรมทานอันนี้ก็เป็นศัพท์ที่เราอาจจะไม่เข้าใจกันแล้วการให การทำทานทำบุญนี้ก็มีสองแบบทำกับองค์กรหรือทำกับบุคคลทำกับองค์กรเราเรียกว่าสังฆทานเช่นเวลาเราถวายของให้วัดไม่ได้ถวายให้พระถวายให้พระทุกองค์ได้ใช้ไม่ให้เป็นสมบัติส่วนรวมเช่นศาลาหลังนี้ก็ถวายให้สงไปเป็นสังฆฐานไม่ได้ถวายให้พระรูปใดรูปหนึ่ง อันนี้ก็เรียกว่าสังฆทานถ้าถวายให้บุคคลก็เรียกว่าปาติบุคคลิขทานปาติบุคคลิขทานถวายเจาะจงให้อาจารย์องค์นั้นให้ถวายพระรูปนั้นพอเรารู้จักกับพระรูปนี้ก่อนมาบวชเคยเป็นเพื่อนกันนเวลาเรามาเยี่ยมเราก็เลยเอาของมาเยี่ยมให้ก็ถวายให้กับพระที่เรารู้จักเราไม่ไปถวายให้กับวัดเนี่ยเพราะเดี๋ยวเดี๋ยว พระที่เรามาเยี่ยมเขาจะน้อยใจอุตส่าห์มาเยี่ยมกับไม่ให้ไม่มีของมาฝากกลับไปถวายให้กับวัดอีกวงคนเขาทำอย่างนั้นเชื่อไหมเพราะเขาเชื่อว่าถวายให้กับวัดได้บุญมากกว่าถวายให้กับคน ท, ทั้งที่เป็นเพื่อนกันหรื อ, รอทั้งเป็นอาจารย์อุตส่าห์สอนแทบเป็นแทบตายพอเวลาจะถวายของก็ถวายให้กับวัดไปไม่ถวายให้อาจารย์ไม่มีค่าน้าค่าน้าชาให้อาจารย์ อาจารย์ก็ไม่มีแรงจะสอนต่อนัน้นการจะถวายบุคคลิกทานหรือสังฆทานก็ต้องดูความเหมาะสมคือประโยชน์มันได้ต่างกันก็จริงแต่มันก็จําเป็นจะต้องให้ทั้งสองฝ่ายถ้าพระหลวงพี่ท่านทาประโยชน์ให้กับเราเรากลับไม่ตอบแทนบุญคุณท่านเราไปตอบแทนให้กับวัดแทนนี้หลวงพี่ท่านก็ไม่มีกาลังใจ ที่จะมาทำอะไรให้กับเราต่อไปมันก็ต้องดูว่าเราถวายอะไรถวายที่ของที่ใช้รวมกันก็ถวายให้กับวัดไปปกตกินี้ไม่ถวายให้หลวงพี่ไม่เป็นไรให้ลวงพี่ใช้ได้แต่ไม่เป็นไม่ได้เป็นสมบัติของหลวงพี่เป็นของวัดถ้าเป็นของลวงพี่เดี๋ยวเวลาหลงพี่สึกไปลงพี่อาจจะอาจจะเลือกไปขายต่อก็ได้ <c oughs> ต้องรู้จักวิวธีถวายสังฆทานกับวิธีถวายบุคคลิกทานส่วนทานที่ญาติโยมคิดว่าเป็นสังฆทานนี้เช่นต้องเป็นกับแฝงสีเหลืองๆนี้อันนี้ไม่ใช่สังฆทานก็ยังถวายให้กับพระลูกนั้นอยู่ถวายให้หลวงพี่อยู่ไม่ได้ถวายให้กับพระทั้งวัดเนี่ยใช่ไหม หรือนิมนต์พระมาสี่รูปแล้วถวายสี่กระแปงมันก็ยังไม่มันก็เป็นสังฆทานเฉพาะสี่รูปนั้นเป็นของพระสี่รูปนั้นแต่วัดนี้อาจจะมีพระต้องแปดสิบรูปนี่พระอีกแปดสิบรูปนี้ก็ไม่สามารถาเอามามาขอใช้ของที่ถวายให้กับพระสี่รูปนี้ได้ถ้าอยากจะถวายก็ต้องถวายให้กับวัดแต่วัดเขาไม่มีวิธีรับสังฆทาน ของใช้ไม่สอยเขาไม่มีเขาให้ถวายเป็นบุคลิกทานไปใครถึงแม้จะไปจัดของเป็นสำรับเป็นชุดมานิมนต์พระมามันก็เป็นบุคลิกทานเพราะพระที่รับไปเขาก็เก็บไปใช้เป็นสมบัติของเขาไปจะถวายเป็นสังฆทานได้ก็ต้องเป็นของใหญ่ๆเช่นพระป่ า, ปป า, าหรือกระถิ่นเนี่ย เพรานอกจากผ้าแล้วก็มีเงินถวายให้กับเพื่อมาซ่อมแซมบุญละะซ่อมแซมวัด น, น, น, น, นดาาี่อันนี้จะเป็นสังฆทานหรือถวายโบสถ์ถวายเจดีย์สร้างศาลาสร้างกุฏิอันนี้จะเป็นสังฆทานแต่ของใช้ไม่ใส่ของกินของใช้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นของบุคคลิกทานไป ยกเว้นถ้าเป็นผ้าป่านี่เขาจะมีวิธีรับของใช้ไม่สอยให้เป็นสังฆท า, านเพราะเขาจะมีส่วนกลางมีที่เก็บของอย่างของญาติโยมที่มาถวายทั้งหมดนี้เราจะไปเก็บไว้ในห้องเก็บของแล้วผ้าองค์ใดขาดอะไรต้องการอะไรท่านก็จะมาดูที่ห้องเก็บของแล้วก็หยิบไปใช้ตามที่ท่านต้องการถ้าเป็นของต้องประเคนก็ให้ลูกศิษย์ประเคนให้ ของทุกอย่างที่นี่ก็จะเป็นสังฆทานไม่ได้เป็นของเราถึงแม้เราจะรับเองแต่เราไม่มีที่เก็บเราก็ต้องเอามาเก็บไว้ที่คลังนี่ <c oughs> ของทุกอย่างอย่างนี้ถึงเรียกเป็นสังฆทานสังฆทานแม้จะเป็นแ ป, แปลงสีฟันอยู่โหลหนึ่งสิบสองอันนี้ก็เป็นสังฆทานได้ไม่ใช่คำว่าสังฆทานต้องมีครบสี่ชนิดคือต้องมีอาหารมีผ้ า, ามี ยาเอเขาก็เลยเนี่ยเวลาไปซื้อของสัรฆทานเขาจะจัดให้ครบสามอย่างมีทั้งยายาหนึ่งยาหนึ่งชุดยาสามัญประจําบ้านหนึ่งชุดปลากระป๋องหนึ่งกระป๋องเข้าสารถุงเล็กๆหนึ่งถุงแล้วอาจจะมีแปรงสีฟันหลอดเล็กๆหนึ่งหลอดยาสีฟันหนึ่งหลอดแปรงสีฟันหนึ่งอันเทียนเล็กๆหนึ่งแท่งทูบหนึ่งกล่อง ทู่ประมาณสักสิบสองแท่งจัดเป็นชุดๆเนี่ยแล้วญาติโยมก็คิดว่านี่เป็นสังฆทานส่วนใหญ่จะเป็นสังขยะมากกว่าเพราะไม่มีใครใช้ส่้าใหญ่นี้พูดความจริงให้ฟังไม่ได้ว่าอยากจะได้เพ็นงแต่อยาะให้รู้ว่าญาติโยม ก, กำลังเอาขยะมาให้วัดโดยไม่โดยไม่รู้สึกตัวพระท่านไม่ใช้กันหรอก ถ้าจะใช้มันต้องเป็นของอย่างที่ญาติโยมซื้อมาใช้เองซื้อสบู่ก็ซื้อเป็นก้อนให ญ, ใหญ่หลอดสีฟันก็หลอดใหญ่ๆแปลงสีฟันก็เป็นคุณภาพหน่อยไม่ใช่แปลงแล้วเลือดไหลออกมาทั้ง ป, า, <c oughs> ปากปากกระป๋องก็เก่าบางทีสนิมเกาะที่วาแล้วก็มีกระดาษทิชชู่ของที่อยู่ในกระป๋งไม่มีหรอกของมันอยู่แค่ปาก ากกระแปงนั่นนะ่ะของในกระแปงมีขวดน้ำมีขันมีกระดาษทิชชู่ใส่เข้าไปแล้วก็ของที่เห็นนั่นอนะ่ะมีเท่านั้นอนะ่ะอย่าไปคิดว่าในกระแปงมีของเวาั้นเต็มไปหมดคนซื้อก็ไม่รู้ว่า ราคาเท่าไรเขาจะคิดราคาเท่าไหร่ก็จ่ายไปคนซื้อก็ดูงบประมาณนว่าวันนี้จะทำบุญมีเงินทำบุญเท่าไหร่ถ้าขายก็มีหลายขนาดมีกระป๋องเล็กกระป๋องใหญ่มีแบบมียาอย่างเดียวมีแบบครบทั้งยาทั้งอาหารก็อยู่ที่งบประมาณของคนที่จะซื้อไม่ได้คิดถึงคนรับหรือว่าคนรับจะใช้ได้หรือไม่ได้คนทาบุญก็คิดอย่างนี้กัน คิดเลยมันก็เลยไม่ค่อยได้รับประโยชน์เท่าไหร่อของต่างๆ <c oughs> ข้างบนนี้ยังคนคิดหน่อยคนรู้ว่าข้างบนนี้ไม่มีน้ําก็มาน้ําเยอะไปหมดเลยน้ําล้นไปเลย <c oughs> เป็นเห็นว่าข้างบนไม่มีน้ําก็เลยถวห้น้ํากันเยอะ <c oughs> นะะโยมก็ต้องคิดว่าโยมใช้อะไรพระก็ต้องใช้อย่างนันเหมือนกันของจําเป็น ของที่บริโภคเนี่ยของอาบแต่ของมางอย่างก็ไม่ไม่ใช้ไม่เหมือนกันของที่เป็นของหอมนี่ไม่ไม่ใช้กันแต่สบู่สมัยนี้หาสบู่ที่ไม่มีกลิ่นไม่ค่อยได้ก็แบบที่มันกลิ่นเบาๆกลิ่นน้อยๆหรือสบู่ที่เขาเรียกสบู่สุขภาพเนี่ยพวกนี้ไม่ค่อยมีกลิ่นเท่าไหร่นี่ก็เรื่องของสังคทาน กับบุคลิกทานสังฆทานนี้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นของที่ที่เป็นของใช้ร่วมกันศาลากุติโบสถเจดีวัดนี่เราถวายเป็นสังฆทานผ้าป่ า, า, าแล้วก็กระถินเนี่ยจะเป็นสังฆทานแต่เครื่องใช้ไม้สอยหรือการใส่บาตรบิณฑบาตนี้ ส่วนใหญ่ก็จะเป็นบุคลิกทานพระท่านได้ของมาในบาทท่านก็เอาไว้ใช้กันแตาถ้าเป็นวัดป่านี่ท่านจะบังคับให้เป็นสังเป็นสังฆฐานท่านจะไม่ให้พระเก็บอาหารไว้ในบาทอาหารที่ได้จากบิณฑบาตต้องเอามารวมกันที่วัดแล้วเอามาแบ่งกันมาแจกกันอีกทีหนึง่งถ้าเป็นวัดป่าที่เเข่งเเข่ง วัดป่าบางแห่งไม่เค่งท่านก็บอกเอาของใครของมันก็แล้วกันใครบินตบาตได้มาก็เอาไปแต่ยังต้องกลับมาฉันกันที่ศาลามาแบ่งกันที่ศาลาแต่อนุ ญ, ญาตให้เก็บได้บางส่วนอยากจะเก็บอาหารบางส่วนไว้ในบาตก็เก็บได้แต่บางแห่งไม่ให้เก็บเลยให้มีอย่างเดียวก็คือข้าวเปล่าส่วนกับข้าวหรือของอย่างอื่ น, นี้เดี๋ยวให้มาแจกกันวิธีแจก สำหรับวัดป่าบ้านตานี้ท่านก็ไม่ให้พระหยิบเองให้ให้พระช่วยกันแจกออคือจะของที่ได้มาทั้งหมดนี้จ ะ, จะไปให้ถวายให้อาจารย์ก่อนพออาจารย์หยิบแล้วอาจารย์ก็ให้พระเอาไปแจกใส่บาทแต่ละบาทไปไม่ให้พระนั่งรอรับแล้วเลือกเอาอันนั้นเลือกอันนี้ไม่ให้ให้พระทุกรูปมาช่วยกันแจกเพื่อจะได้อา่า กำจัดกิเลสตัวจู้จี้จุกจิ ก, อ ย, กอยากได้นู่นอยากได้นี่ไม่มีสิทธิ์ถ้าอยู่ที่วัดป่าบ้านตาไม่มีสิทธิ์เยของทุกอย่างใส่บาตรนี่เป็นคนอื่นใส่ให้ตัวเองหยิบใส่บาตรเองไม่ได้นอกจากเวลาเอาของที่ตัวเองได้มาแจกเนี่ยก็มีสิทธิ์ที่จะเอาของนั้นใส่บาตรของตนเองได้ของอย่างอื่นนี่ก็พระทุกรูปจะช่วยกันแจกกันไป อันนี้เพื่อที่จะฝึกให้ยินดีตามมีตามเกิดสันโดษไม่ให้มีความรักความชังะซึ่งเป็นกิเลสมีความโลภเกิดขึ้นมาเห็นของชอบก็อยากได้เห็นของไม่ชอบก็เกลียดไม่ต้องการอันนี้ก็ให้ฝึกเอาทั้งชอบแล้วไม่ชอบะปนมันเข้าไปในบาเนี่ยแล้วบางแห่งก็ให้คุกเลยปนกันอีกทีนึ่อนี่ ครังชอบไม่ชอบมันก็ปนอยู่ในนั้นเดี๋ยวมันก็ไปปนกันอยู่ในท้องอยู่ดีคนที่จะฝึกจิตต้องการที่จะละกามาตัญหาความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสของอาหารก็ต้องฝึกแบบนี้ต่อไปก็จะอยู่ง่ายกินง่ายสบายไม่ต้องมาวุ่นวายไม่ต้องมาคิดถึงเดี๋ยวมือ้อพรุ่งนี้จะกินอะไรดีหรือเห็นอาหารที่เขาใส่บาตมา ไม่ว่าจะได้กินพอกลับไปที่วัดไม่รู้หายไปไหนนะ <c oughs> เลยไม่ไปหวังอะไรกลับมา <c oughs> บินก็บินไปอย่างนั้นหนึ่งทําหน้าที่รับอาหารมาแต่ไม่รู้ว่าจะได้กินอาหารนันไหนเพระเดี๋ยวถึงเวลาเขาจะมาจัดใหม่เช้าจะมาแจากกันใหม่อีกทีอันนี้ก็ดีไปอย่างมันทําให้ตัดความวุ่นวายกับเรื่องกินได้ กินตามมีตามเกิดนะถ้ากินหนเดียวนี่มันหิวพอถึงเวลาหิวข้าวเปล่าเปล่าก็อร่อยเนี่ยไม่เป็นปัญหาแต่ถ้ากินหลายมื้อนี่มันจะเลือกกินเพราะมันไม่หิวนะร่างกายมันไม่หิวมันต้องหาอาหารที่ถูกปากมันถึงจะกินลงแต่ถ้ามันกินมื้อเดียวเนี่ยมันยี่บี่ชั่วโมงอ่ะกว่าจะได้กินอีกครั้งหนึ่งตอนนั้นท้องมันแห้งนะ มันเห็นอะไรมันก็ดูดหมดนะดีไปหมดนะข้ า, าวเปล่าก็ดีอก็ดีไปอย่างการฉันเมื่อเดียวมันก็ดีอย่างนี้การฝึกฉันเมื่อเดียวฉันในบานไม่เลือกอาหารให้เขาจัดให้ตามมีตามเกิดบางวันนี่เขามีเบินาบัตรสองสายอ ที่ดอยปุยนี่มีวัดอยู่ใกล้วังกับใกล้บ้านห ม, หมู่บ้านชาวเขาพระต้องแบ่งไปสองสายไปสายวังกับสายชาวเขาพอาอาหารที่ได้กลับมาก็ามารวมใส่หม้อกันหม้อเดียวกันทั้งของในวังทั้งของชาวเขา แล้วก็มาต้มมาอุ่นมาอีทีเสร็จแล้วก็ตักใส่บาตถวายพระเหมือนกันหมดทุกองค์จะไม่เลือกสายไหนก็เหมือนกันถ้าถ้าเป็นของใครของมันนี่เดี๋ยวจะแย่งไปแต่สายในวังจะไม่มีใครไปสายอสายสายชาวเขาะครูบาอาจารย์ท่านก็เลยต้องมีมาตรการปราบกิเลสตัณหาแลวัดดอยป่วยก็ทําอย่างนี้ มีมินตบัดสายในวงังเพราะอยู่ใกล้ภูพิงแล้วก็ใกล้หมู่บ้านภูพานไม่ใช่ภูพิงแล้วก็ใกล้ยอยูใกล้หมู่บ้านชาวเขาต้องไปปวดทั้งสองสองสายก็เลือกเอาสายไหนก็ได้กลับมาก็เหมือนกันได้อาหารเท่ากันพออาหารที่ได้มาจะเอามารวมกันอีกทีนึ่งรวมกันใส่ในหมอ้อแล้วก็อุ่นได้กินอาหารนอน้อน อาหารที่แบบว่ารวมทุกอย่างรวมทั้งอาหารชาวบ้านอาหารชาวเขาชาววังอันนี้เป็นวิธีการของการปราบกิเลสวิธีการปฏิบัตินี่ก็เรียกวัตถุดงขวัตฉันในบาทนนี้ก็เป็นทุดงคาวัตถุดงก็คือการปฏิบัติพิเศษมีอยู่สิบสามข้อ อันนี้ไม่บังคับพระพุทธเจ้าไม่บังคับใครบวชมาแล้วจะทุดงก็ได้ไม่ทุดงก็ได้สิบสามข้อนี้ให้ให้เลือกเอาหรือแล้วแต่ว่าไปอยู่วัดไหนถ้าวัดที่เขาทุดงก็ต้องทุดงกับเขาะจะไปเลือกกินเองไม่ได้ะจะไปกินแบบไม่กินในบาทไม่ได้จะใส่จานใส่ชามนี้ไม่ได้ถ้าเขาฉันในบาทก็ต้องฉันในบาทกับเขา แต่ถ้าไปอยู่ที่วัดเขาไม่ฉันในบาทก็ไม่ต้องฉันในบาทก็ได้ไม่บังคับไม่ได้เป็นศีล227ข้อศีล227ข้อนี้เป็นข้อบังคับทุกคนต้องน้องรักษาเหมือนกันแตทุ่งครรมคาวาส13ข้อนี้เป็นของแถมเป็นข้อเป็นศีลพิเศษพูดง่ายๆเป็นถ้าเป็นน้ํามันก็เป็นน้ํามันพิเศษ น้ำมันที่ทำให้รถนี้มีพลังมากขึ้นเช่น91กับ95ถ้าใช้น้ำมัน95มันมีพลังมากกว่ามันจะทำให้รถวิ่งเร็วกว่ารถแรงกว่ากำลังมากกว่าทุดดงก็เหมือนกันจะทำให้จิตมีพลังสู้กิเลสได้มากกว่าปราบกิเลสได้ง่ายกว่ากว่าสิน227อันนี้ก็คือคอนเซปต์เรือความรู้ ต่างๆที่เป็นศัพท์ต่างๆที่พวกเราได้ยินได้ฟังกันวันนี้ก็เลยเอามาแจากแจงให้ท่านได้ฟังกันพอสมควรแก่เวลาก็จะขออนุโมทนาให้พร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 จันโทปนาหราโสยธามณิโชติหราโสยธาสัพพิตโยวิวาจันโต สัพพะโรโควินาศสตุมาเตภวัตวันตราโยสุขีทีขายุโกภวะอภิวาทานศีริสะนิจังวุธาปัจายโนจตารโอธรมมวาทานติอายุวันโอสุขังภาลา วันนี้เข้ามาเท่าไหร่นะค่ะวันนี้ทางฟสามร้อยเก้าสิบสี่ยู u t u หนึ่งร้อยเก้าสิบเอ็ดวิทยุออนไลน์สามสิบสามรับฟังบนเขายี่สิบเจ็ดรวมทั้งสิ้นหกร้อยสี่สิบห้าเจ้าค่ะวันก่อนวันอะไรนะวันมาคาบูชาที่ถามว่าบินฑบาทเท่าไหร่บอกหกเจ็ดบมีโยมคนหนึ่งก็ไปแทงโง่ถูก <laughs> ออกเจ็ดแปดพอดีวะเ อ, ออก็ออกบอกหวยถูกเหมือนกันนะไม่ใช่ไม่ถูกแต่นานานๆครั้งหนึ่งอยาไปเอาเป็นตัวอย่างนั้นเดี๋ยวขาดทุนไม่รู้นะเจ๊งไม่รู้นะไม่รับประกันเดี๋ยวนี้ YouTube มีเพิ่มมากขึ้นนะเกือบสองร้อยละตออวันอไอวิทีุนี่บางทีมันมีปัญหาเมื่อวานนี้ก็มีปัญหา ประมาณนี้เขาบอกว่ามีเสียงขัดขาท้ายหายหรือไม่ทราบเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าก็วันนี้ก็มีมันมีตัวแปลายอย่างเครื่องอุปกรณ์มันมีหลายชนิดโดยการเชื่อมต่อกันบางทีก็เป็นแบตเตอรี่บางบางทีเสียบไม่แน่นบ้างก็ใครมีปัญหาก็ส่งข้อความเข้ามาทางแอดมินก็คอยดูคอยแก้กันไป ก็ต้องถือว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาเพราะว่ามันไม่ใช่เป็นแบบมืออาชีพไม่มีไรายได้อันนี้เป็นอาสาสมัครแล้วก็ไม่มีไม่มีค่าไม่มีเก็บค่าใช้จ่ายอะไรต่างๆทุกคนมาช่วยทุกคนต้องเสียสละ เสีละทั้งเวลาเสียสละทั้งกำลังทรัพย์เนี่ยเครื่องใช้ไม้สอยต่างๆนี่ก็เป็นกลุ่มทีมงานที่มาทำนี่เป็นผู้ช่วยกันบริจาคเราก็ไม่เรียกอะไรไม่ข อ, อ, อใครอยากจะทำอยากจะช่วยก็ต้องติดต่อกับแอดมินเราแอดมินเขาก็ไม่อยากจะรับเงินทอง ถ้าเขาจะเอาอะไรเขาก็จะบอกเป็นสินค้าไปเป็นเครื่องมือเครื่องมา้าเครื่องมือไปเพระเหมือนรับเงินทองมาแล้วบางทีมันมากเกินไปก็ไม่รู้จะไปเก็บไว้ที่ไหนเป็นภาระเป็นเงินร้อนมันไม่ได้เป็นเงินของเราถ้าเกิดหายไปเราก็ต้องวักกระเป๋ามาจ่ายหรือถ้าคนบางคนอาจจะมองโลกในแง่ร้ายก็อาจจะเพ่งเลง็งเพ่งโทษอีก ถูกเขาเพ่งโทษเองอุตสาหมาทาบุญทาความดีกับถูกคนเพ่งโทษว่ามาหาผลประโยชน์อันนี้ก็เลยทางทีมงานเขาก็ดีเขาบอกไม่เอาเงินดีกว่าแต่เวลาอุปกรณ์เสียก็ถ้าใครอยากจะบริจากใครถามก็บอกเข้าไปบอกเช่นขาตอนนั้นต้องการขาใหม่ก็บอกเขาไปเขาก็หาขาใหม่มาให้ขาต่อไปเครื่อง เครื่องโทรศัพท์สเสียก็ต้องมีค่าใช้จ่ายเยอะอะมีค่าใช้จ่ายที่ต้องจ่ายเกี่ยวกับพวกค่าซิมอีกใช้ซิมหลายอันเพราะว่าจะต้องติดต่อเชื่อม 3G เนี่ยก็มีค่าค่ารายเดือนค่าถ่ายซอดสดนี่ก็ต้องซื้อซื้อ 3G แบบรายเดือนเมาใจ่ายมันก็มีสองกล้องสองตัว YouTube ู facebook ๊ก นอกนั้นยังต้องมีเชื่อมกับรับข้ อ, ขอความต่างๆอีกแล้วมีการถ่ายทอดทางวิทยุอีกงั้นที่นี่ก็ใช้ซิมหลายตัวนะหกเจ็ดตัวมังซิมเนี่ยหกตัวนะซิมหกตัวแต่ก็มีเจ้าภาพกันหมดแล้วมั้ยเริ่มมีเป็นรายเดือนไปแล้ว บ, บางทีก็เป็นรายเดือนบางทีก็เป็น เราก็ไม่ค่อยทราบรายละเอียดเพราเราไม่เกี่ยวข้องด้วยเพราะเป็นคนละาพนากกันเราพเนกพูด <c oughs> <c oughs> นั่นก็เป็นทนาถ่ายทอดสดนน้วันนี้มาเห็นเวลาว่างก็เลยมีโอกาสก็เลยลองลองพูดลองคุยกันบ้างเผื่อท่านที่ติดตามทางบ้านจะได้ทราบได้เห็นภาพว่าเป็นอย่างไรว่าเราทํากันอย่างไรเนีย อันนี้มันต้องการถ้ามีการเลี่ยนลายเดี๋ยวก็มีการอาแอบอ้างกันเดี๋ยวก็ยุ่งนี่ขนาดไม่มียังมีคนแอบอ้างเปิดเว็บไซต์ชื่อเดียวกันเปิด facebook ชื่อเดียวกันแอบอ้างขออ <c oughs> พอไปจ้างให้กขาขอถึงปิดมั้ง <c oughs> สมัยนี้คนมิจฉาชีพเยอะคนที่จะหาผลประโยชน์จากคนทําบุญเยอะ เพคนทำบุญก็เป็นคนที่เชื่อบุญไม่กล้าคิดไม่ดีใครเรียลัยอะไรก็เพียงแต่เขาเรียอลัยแล้วไม่ได้ทำก็รู้สึกไม่สบายใจแนละ้วเรื่ความจริงไม่เสียหายอะไรถ้าเราไม่มั่นใจเราไม่แน่ใจว่าเขาเรียอลัยแล้วมันจะไปถึงที่เขาว่าหรือเปล่าบางทีก็แอบอ้างวัดนู้นวัดนี้สร้างนูน่นสร้างนี่แล้วก็เปิดบัญชีให้เราโอนเข้าไป เราก็ไม่รู้ว่าเป็นบัญชีของวัดหรือเปล่าเราก็ต้องโทรไปถามที่วัดก่อนเพื่อความแน่ใจว่าทางวัดมีการเลี่ยรารเปิดผ่านบัญชีทางนี้หรือเปล่าทำไรเราก็ต้องรอบคอบนะถึงแม้จะเป็นเรื่องบุญเรื่องกุศลพระตจ้าก็บอกว่าให้ใช้การลามสูตรอย่าไปเชื่อทันทีทันใดอย่าไปเชื่อว่าอาจารย์สั่งมาอย่าไปเชื่อว่าวัดเป็นของวัด ต้องไปเช็คดูให้รอบครอบก่อนตรวจสอบก่อนว่าวัดนี้มีบัญชีนี้จริงหรือเปล่ากำลังเรียรายเงินเพื่อสร้างสิ่งนั้นสิ่งนี้จริงหรือเปล่าถ้าเราไม่มั่นใจเราไม่ทำไม่ไม่เสียหายอย่าไปรู้สึกไม่สบายใจเราดีกว่าไปสนับสนุนพวกมิจฉาชีพโดยไม่รู้สึกตัวอาวันนี้เอากำถามได้แล้ว คำถามข้อต่อไปจากทันไลน์ค่ะกลับนมัส ก, การพระอาจารย์ครับผมมีเรื่องอยากเรียนถามว่าการที่เรามาบวชนั้นทำให้คนที่รักเรานั้นไม่สบายใจและผมก็ทุกข์ใจแต่ถือว่าเป็นการก่อกรรมซึ่งกันและการหมครับและจะทำอย่างไรให้พ้นจากทุกข์ในเรื่องนี้ครับคือการก่อกรรมนี้เราต้องไปทาร้ายเขาทาบาปข้อใดข้อหนึ่ง เช่นไปรักทรัพย์ของเข า, เาไปประพฤติผิดประเวณีไปยุ่งกับสามีภรรยาของเขาหรือไปโกหกหลอกลวงเขาอันนี้ถึงเรียกว่าเป็นกรรมแต่การอยู่ดีๆเราทําความดีแล้วเขาเสียใจมันช่วยไม่ได้รู้ใจไหเขาอยากให้เราทําชั่วแต่เราทําดีเขาอยากให้เรากินเหล้าแล้วเราไม่กินเหล้าอย่างนี้แล้วเขามาเสียใจไม่พอใจ ก็ช่วยไม่ได้มันเป็นเรื่องของทัศนคติที่ไม่เหมือนกันเขาเห็นว่าการอยู่ทางโลกดีกว่าการไปบวชเพราะไปบวชเขาก็เสียใจเออันนี้ก็เป็นเรื่องของทัศนกติไม่ใช่เรื่องของกรรมเอพระพุทธเจ้าก็เหมือนกันพระพุทธเจ้าไปบวชพ่อก็เสียใจเอแต่มันเป็นการกระทําดีอะ เป็นการกระทำที่เป็นคุณเป็นประโยชน์ทั้งกับตนเองและกับผู้อื่นต่อไปพระพุทธเจ้าก็เลยทําโดยที่ไม่รู้สึกอะไรกับความรู้สึกของคนอื่นอันนี้เราต้องรู้จักแยกแยะว่าอะไรเป็นกรรมอะไรไม่ไมเป็นทัศนคติการกระทําที่ทําต่างมีทัศนคติต่างกันเราทําเขาไม่ชอบเขาก็จะเสียใจ แต่เราไม่ได้ไปทำร้ายเขาเราไม่ได้ไปทํากรรมอะไรกับเขาเราไม่ได้ไปฆ่าเขาไม่ได้ไปลักทรัพย์ของเขาไม่ได้ไปประพฤติผิดประเวณีกับลูกเมียเขาเราไม่ได้ไปโกหกหลอกลวงเขาอันนี้ไม่เป็นกรรมคําถามข้อต่อไปจากคุณน้ำจากทางไลน์ค่ะกราบเรียนถามพระอาจารย์เจ้าค่ะถ้าเราขายของแล้วเอาส่วนที่เป็นกําไรไปทําบุญเราจะได้บุญใหม่เจ้าคะ ได้ก็เงินที่เราได้มาด้วยสุดวิธีสุดเจรจญนี่ไปทําบุญก็ได้บุญแม้แต่เงินไปโกงเข้ามาไปทําบุญก็ยังได้บุญอยู่เพียงแต่ว่าเงินได้บาปติดมาด้วยเข้าใจไห ม, มเงินถ้าเป็นของเราแล้วเราเอาไปทําบุญนี่เราได้บุญไม่ว่ามันจะมาโดยวิธีใดก็ตาม แต่ว่าถ้ามาโดยวิธีที่เป็นบาปมันก็มีบาปติดมาด้วยเราต้องใช้บาปนั้นด้วยแล้วเราก็รับผลบุญ น, นั้นด้วยนั้นมันมันคนละเรื่องกันเรื่องของการทำบาปมันก็มีผลของมันเรื่องของการทำบุญก็มีผลของมันถ้าเราได้เงินมาโดยที่ไม่ได้เป็นการทำบาปทรมาหากินโดยสุดจริต ข, า, ขายก็ต้องมีกำไรเป็นธรรมดา แล้วเราก็เอาเงินที่เรากำไรนี้มาทำบุญเราก็ได้บุญแต่ไม่มีโทษไม่มีบาปติดตัวมาคำถามข้อต่อไปจากคุณแอปเปิลจากทางไลน์ค่ะเคยได้ยินคนพูดว่าความทุกข์ทำให้เกิดความสุขแต่พอประสบกับความทุกข์เข้าจริงๆมันเกิดความรู้สึกทุกข์ มองไม่เห็นความสุขเลยค่ะดิฉันไม่รู้ว่าจะทําใจยอมรับได้เช่นไรเจ้าค่ะอ๋อไม่เหรอความทุกข์ไม่ได้เกิดความสุขหรอกความทุกข์มันก็ทุกข์กว่าสิมันเป็นคําพูดของคนที่ชอบพูดกันไปตามประศีภาษาของเขาเออมันก็ความทุกข์ก็เป็นความทุกข์ความสุขก็เป็นความสุขมันไม่เกี่ยวกันอ นอกจากว่าการปฏิบัติเพื่อความสุขบางครั้งมันต้องทุกข์ก่อนถึงจะสุขอันนี้เช่นการจะนั่งสมาธิให้จิตสงบมีความสุขนี้มันต้องทุกข์กับการต่อสู้กับความอยากต่างๆเพราะจะนั่งสมาธินี้ต้องเลิกดูละครดูหนังเลิกทําอะไรต่างๆมันก็จะทุกข์ทุกข์เพราะไม่ได้ทําสิ่งที่เราเคยทําเราอยากทําำ พรต้องมาบังคับให้เรานั่งเฉยๆหลับตาพุโทโธพุทโธมันก็ทุกข์แต่ถ้าเราสามารถนั่งพุโทโธจนจิตสงบได้มันก็สุขขึ้นมาอันนี้ก็เรียกว่าทุกข์เพื่อให้เกิดความสุขดีกว่าสิ่งที่เราทํากันส่วนใหญ่มันทําสุขให้เกิดทุกข์มากกว่าเช่นการหาความสุขต่างๆของเรานี่มันจะกลายเป็นความทุกข์ต่อไปโดยที่เราไม่รู้สึกตัวเพราะว่า สักวันหนึ่งเราจะต้องหาไม่ได้เพราะเราหาความสุขจากการไปเที่ยวพอเงินหมดไม่ได้ไปเที่ยวพออยากจะเที่ยวไม่ได้ไปเที่ยวที่นี้ก็ทุกข์เลยอยู่เฉยๆไม่ได้แต่คนที่ไม่เคยไปเที่ยวอยู่เฉยๆก็ไม่ทุกข์แต่คนที่ไปเที่ยวแล้วมันติดพอมันติดแล้วมันไม่ได้เที่ยวมันจะทุกข์ พวกเรากําลังหาความสุขที่จะกลายเป็นความทุกข์เพราะต่อไปเราจะต้องมีปัญหาไม่สามารถหาได้เงินหมดหรือร่างกายหมดสภาพร่างกายแก่ร่างกายเจ็บนี่ก็จะไปเที่ยวก็เที่ยวไม่ได้นะนี่เรากําลังหาความสุขเพื่อทาให้เกิดความทุกข์ขึ้นมา สูหาความทุกข์เพื่อให้เกิดความสุขดีกว่าทุกข์ที่เกิดจากการต้องไปอยู่คนเดียวไปนั่งสมาธิทำใจให้สงบตอนที่ไม่สงบมันทุกข์มากมันเหงามันเศร้าซ้อยมันเบื่อหน่ายแต่พอวางคับให้มันนั่งสมาธิได้พอจิตสงบมันหายหมดหรือแต่ความสุขที่เกิดจากความสงบแล้วเราความสุขแบบนี้ดีกว่า คามสุขแบบนี้ต้องจ่ายก่อนต้องทุกข์ก่อนแต่ความสุขของพวเราแบบซื้อเงินผ่อนเอาก่อนแล้วมาจ่ายทีหลังเดี๋ยวมาทุกข์ทีหลังสุขก่อนแล้วมาทุกข์ทีหลังเวลามีแฟนนุ้ดีใจกันแล้วเดี๋ยวพอแฟนจากไปก็ร้องห่มร้องไห้กันนี่แหละเขาเรียก ว, ว่าซื้อเงินผ่อนซื้อซื้อทุกขเดือซื้อทุกพแบบผ่อนส่งนพลเราซื้อสุขแบบผ่อนสงดีกว่ายอา ยอมยอมทุกข์ก่อนยอมใจก่อนยอมทุกข์ก่อนแล้วเพื่อที่จะได้สุขกันแล้วมันจะเป็นสุขตลอดไปสุขตอนจบเดียวกับสุขตอนทุกข์ตอนจบ คำถามข้อต่อไปจากทางไลน์คุณรูทเลสค่ะถ้าเราเริ่มเบือ่อไม่อยากซื้อมือถือใหม่ไม่อยากหาร้านอาหารเก๋ๆไปกินข้าวไม่อยากไปเที่ยวต่างประเทศเพราะขี้เกียจตามเทคโนโลยีใหม่ๆขี้เกียจหาร้านอาหารขี้เกียจเดินทางเพราะอยากไปหลายประเทศก็จะไปไม่ครบอยู่ดีอยู่เฉยๆสบายสงบดีกว่าเหล่านี้คือความขี้เกียจไม่ใช่กิเลส สลดลงใช่ไหมเจ้าคะแต่ความขี้เกียจเหล่านี้เลี้ยงไว้เยอะๆก็จะดีใช่ไหมเจ้าคะกราบขอพระคุณเจ้าคะ่ะขี้เกียจแบบนี้ไม่เป็นปนัญหาไม่เป็นปนัญหา อย่าขี้เกียจทางานอย่าขี้เกียจทําหน้าที่ก็แล้วกันถ้าขี้เกียจกับเรื่องกิเลสนี่ขี้เกียจไปเถอะดีแต่ต้องขยันกับเรื่องธรรมะเรื่องความดีอย่าไปขี้เกียจกับเรื่องนั่งสมาธิอย่าไปขี้เกียจกับการรักษาศีลอย่าไปขี้เกียจกับเรื่องทาบุญแต่ถ้าขี้เกียจกับเรื่องกิเลสตัณหานี่ยขี้เกียจไปไม่เป็นไรคําถามข้อต่อไปค่ะ เป็นคนกลัวเป็นคนกลัวผีมากทำยังไงก็ไม่หายกลัวผีกลัวความตายรู้ทั้งรู้ว่าทุกคนต้องตายและกลายเป็นผีต้องดำเนินชีวิตใช้ข้อใช้ข้อธรรมข้อใดถึงจะเอาชนะเอาชนะความกลัวนี้คะนึกตลอดเวลาถ้าเราจะตายขึ้นมาจะเอาใจไว้ตรงไหนที่จะไม่ต้องกลัวผี <c oughs> กลัวตายเจ <c oughs> ้าค่ะพระอาจารย์ออเบื้องต้นเราก็ต้องใช้สติก่อน หยุดความคิดต่างๆก่อนความคิดของเรามันเป็นความหลงเท่านั้นแล้วเราไม่สามารถที่จะมาคิดทางปัญญาได้ถ้าจิตเรายังไม่สงบเหตนเบื้องต้นเวลาเกิดความกลัวก็ใช้สติหยุดความกลัวเช่นสวดมนต์ไปหรือพุทโธพุทโธไปอย่าให้ใจไปคิดถึงเรื่องที่ทําให้เรากลัวใจเราอยู่กับพุทโธอยู่กับการสวดมนต์เดี๋ยวเราก็จะลืมเรื่องที่ทําให้เรากลัวไป ความกลัวก็จะหายไปแล้วเราก็จะเห็นว่าอ๋อความกลัวนี่เกิดจากความคิดของเราเองทีนี้เราต่อไปเราก็จะได้มาคิดด้วยเหตุด้วยผลนะว่าถ้าเราจะตายมันถ้ามันสิ่งที่จะทำให้เราตายมันมีจริงๆเราตายไปนานแล้วละไม่ต้องมารอตอนที่เราอยู่คนเดียวหรอกทำไมผีมันชอบมาตอนที่เราอยู่คนเดียวอ่ะทำไมอยู่ด้วยกันหลายคนมันไม่มาแสดงว่าพวกเราพอสองคนขึ้นไปเราสู้ผีได้ พอคนเดียวสู้ผีไม่ได้ไม่ใช่หรอกเราไปคิดไปเองฮค่นั้นเองพออยู่คนเดียวไม่มีเพื่อนคุยมันนั่งเฉยๆพอได้ยินเสียงตุ๊กแก่้องก็คิดว่าผีมาละคิดไปเองแต่งไปเองแล้วก็กลัวขึ้นไปเองถ้ายังคิดด้วยเหตุด้วยผลไม่ได้ตอนต้นก็ต้องใช้สติหยุดมันก่อนพุโทโธพุโทโธหยุดความคิดหยุดอย่าไปปรุงแต่งถึงเรื่องที่ทําให้เรากลัวเดี๋ยวพอเราไม่คิดถึงมันเดี๋ยวจิตก็จะสงบ แล้วขั้นต่อไปก็มาคิดทางปัญญาได้ ว, ว่าคนเราเกิดมาแล้วมีใครไม่ตายบ้างก็คิดแค่นี้ก็พออย่างมากก็แค่ตายเมื่อถึงเวลาก็ต้องตายอยู่ที่ไหนก็ต้องตายตายด้วยผีตายตายด้วยคนหรือตายด้วยลายมันก็ต้องตายไม่มีผีไม่มีคนก็ยังตายเลยยั้อย่างมากมันก็แค่ตายแค่ที่ตายก็ไม่ใช่เราที่ตายก็เป็นตุ๊กตาตัวหนึ่งทนอ่งที่เราเอามาเล่นเอามาใช้ ทำอะไรต่างๆเราไม่ได้ตายไปกับมันเราที่กลัวไม่ได้ตายไอ้ตัวที่ไอ้ตัวที่ตายมันไม่กลัวมันไม่รู้ตุ๊กตามันไม่รู้ว่ามันจะตายเจ้าของตุ๊กตาเนี่ยที่กลัวกลัวตุ๊กตาจะตายออให้มาคิดแยกแยะด้วยปัญญาแล้วต่อไปเราก็จะไม่กลัวตายไม่กลัวอะไรเพราะอย่างมากมันก็แค่ฆ่าเราเท่านั้นเอง ของอะไรมันจะร้ายกาจขนาดไหนสิ่งไหนจะร้ายกาจขนาดไหนมันจะทําได้ก็แค่ทำร้ายร่างกายเราเท่านั้นเองแล้วเมื่อเรารู้ว่ามันยังไงร่างกายเราก็ต้องถูกทําร้ายอยู่ดีด้วยเหตุใดเหตุหนึ่งเราห้ามมันไม่ได้แต่เรารู้ว่าเรากับมันไม่ได้เป็นคนเดียวกันร่างกายกับเราเป็นคนละคนกันเราเป็นนายร่างกายเป็นบ่าวร่างกายเป็นผู้รับใช้เราเป็นคนใช้เรา เราเป็นคนสั่งให้มันทำอะไรต่างๆ เ, าเราไม่มีใครทำร้ายเราได้เพราะเราไม่มีรูปร่างร่ า, า, างกายมันมีรูปร่างมันก็ต้องถูกทำร้ายได้แต่เราผู้รู้ผู้คิดผู้สั่งให้ร่างกายทำอะไรนี้ไม่มีรูปร่าง เ, าเป็นมนุษย์ร่างขนดีไหมเป็นมนุษย์ร่องขนดีม ปืนก็ยิงไม่เข้าระเบิดใส่ก็ไม่ไม่ตายล้วไปกลัวอะไรไม่มีอะไรทําร้ายเราได้ถ้าคิดด้วยปัญญาแนละ้วจะรู้ว่าไม่มีอะไรทําร้ายเราได้นอกจากความโง่ของเราเองทาร้ายเราเองด้วยความคิดคิดไปในที่ทำให้เรากลัวทำให้เราทุกข์ขึ้นมาเองคิดไม่เป็นคำถามข้อต่อไปจากคุณสัปา ร, รสี <c oughs> ทางยูทูบค่ะ เคยทำเรื่องผิดศีลข้อสามเมื่อสามปีที่แล้วปัจจุบันไม่ได้ทำแล้วแต่ความรู้สึกบาปติดตัวติดใจตลอดนึกถึงทีไรมีแต่ความเศร้าใจหมองใจรบกวนพระอาจารย์ช่วยชี้แนะวิธีแก้ไขให้หายจากทุกข์หนักนี้ด้วยเจ้าค่ะคือเราต้องยอมรับว่าบาปที่เราทำแล้วนั้นเราไปล้างไม่ได้สองมันต้องเกิดผลของมันจะต้องเกิดขึ้นไม่ช้าก็เร็ว เั้นขอให้เราเตรียมตัวเตรียมใจรับกับผลบาปนั้น mm. แล้วก็เอาเอ า, เอาความทุกข์ที่เราได้รับจากการทําบาปนี้มาเป็นบทเรียนสอนใจเราว่าต่อไปเราอย่าทําบาปดีกว่าเอ mm. ได้ความสุขเดี๋ยวเดียวแล้วเดี๋ยวความทุกข์ตามมามันยาวนานกว่าอย่าง mm. นี้เราก็จะสบายใจคือเราต้องยอมรับว่าเราต้องใช้บาป ต่อไปเราอาจจะมีแฟนแล้วแฟนเราอาจจะไปแอบมีอะไรกับคนอื่นก็ได้เป็นการใช้บาปของเราไปแต่เราล้างบาปไม่ได้แต่เราห้ามบาปใหม่ได้ด้วยการเห็นโทษของบาปที่เราทำว่ามันสร้างความไม่สบายใจให้กับเราอย่างมากต่อไปเราไม่ทำดีกว่าความสุขที่ได้จากการทำบาปนี้มันหายไปหมดแล้วแต่ความทุกข์ที่เกิดจากการทำบาปนี้มันยังไม่หาย อะานั้นใช้ใช้ประสบ ป, ประการณ์นี่เป็นบทเรียนสอนใจอย่าทำประวัติให้ซ้ำรอย <c oughs> แล้วต่อไปข้างหน้าเราก็จะไม่มีปัญหาแบบนี้อีก <c oughs> คำ ถ, ถามจากคุณเชร์เบลค่ะวันก่อนหนูระงับความกโกรธไม่ได้เผลอตีลูกชายวัยห้าขวบกว่าไปแรงมากหลายครั้งเจ้าค่ะรู้สึกไม่ดีกับตัวเองมากๆและสงสารลูกมาก ท, ทั้งทั้งที่พยายามจะระงับได้อยู่เรื่อยๆแต่เวลาหลุดมันดุดแรงมากเจ้าค่ะต้องทำอย่างไรให้มันหายไปเลยเจ้าคะอ๋อมันเป็นนิสัยที่ไม่ใช่จะทำป๊อบหายป๊บเหมือนคนที่ถนัดมือขวา จะปุ๊บปั๊บมาเปลี่ยนใช้มือซ้ายมันไม่ได้หรอกมันก็ต้องค่อยๆพยายามฝึกไปฝึกไปพยายามฝึกสติบ่อยๆหัดใช้สติหัดใช้พุทโธหัดท่องพุทโธเวลาเกิดอารมณ์ปั๊บนี่เราต้องพุทโธแล้วแล้วก็อย่าไปพูดอย่าไปทําอะไรตอนที่เกิดอารมณ์เอไว้ให้มันอารมณ์นั้นดับไปก่อนไม่ว่าจะเป็นโกรธหรือโลภอย่าทำเลยละขณะที่เราโลภหรือโกรธเพราะมันนักจะทําให้เรา ทำไม่ดีทำให้เกิดความเสียหายงั้นเราต้องมาฝึกสติก่อนให้รู้ทันความโลภความโกรธแล้วหยุดมันก่อนก่อนที่เราจะไปพูดไปทำลายต่อไปการฝึกสติยังมีความสาคัญอย่างมากเพราะสตินี้ก็เป็นเหมือนเบรกของรถยนต์ใจเราก็เป็นเหมือนรถยนต์เนี่ยพอเราไปตีลูกนี่ก็เหมือนไปชนนะขับรถไปชนกันอื่นเพราะไม่มีเบรกเงั้นเราต้องมาติดเบรกกันก่อน ตอนนี้ใจเราไม่มีเบรกฉะนั้นเวลาเราต้องหัดฝึกสติพุทโธพุทโธอยู่เรื่อยๆอย่าขี้เกียจพุทโธฝึกท่องพุทโธพุทโธไปเวลาที่เราไม่ต้องใช้ความคิดกับเรื่องต่างๆอย่าปล่อยให้มันคิดเรื่อยเปื่อยจะดีกว่าแล้วต่อไปเวลาเกิดอารมณ์ขึ้นมาเราก็ใช้พุทโธหยุดมันได้ คำถามข้อต่อไปจากคุณนิพิทาค่ะปกติจะทำสมาธิเช้าเย็นสม่ำเสมอรู้สึกปกติดีและมีความสุขอิ่มใจแต่บางช่วงต้องเดินทางและไปที่อื่นหลายหลายวันทำให้สมาธิได้น้อยกว่าเดิมพอไม่ค่อยทำ พอไม่ค่อยได้ทําเท่าไหร่สี่ห้าวันใจมันก็ไม่ค่อยสงบไม่ค่อยสบายเท่าไหร่เหมือนความสุขอิ่มใจมันน้อยลงใจมันคอยจะวิววิวไม่ทราบสาเหตุพอมาทําสมาธิสักวันสองวันมันจะหายไปแบบนี้สิทธิ์ทํำสมาธิผิดทางไปไหมเจ้าคะอ๋อไม่ผิดแล้วมันเหมือนกินอาหารไงวันไหนไม่กินอาหารมันก็หิวโหร่างกายก็ไม่มีเรี้ยวไม่มีแรง จิตเวลานั่งสมาธิก็จะได้พลังได้ความสุขเพราะวันไหนไม่ได้นั่งสมาธิมันก็เหมือนขาดอาหารไปเท่านั้นเองเห็นต้องหาเวลาทําชดเชยไม่ไม่ได้ทําตอนเช้าก็มาทําตอนก่อนนอนหรือทําตอนไหนที่เวลาไม่เวลาว่างค่ะคำถามข้อต่อไปจากคุณปอคะ่ะขอกราบเรียนถามท่านพระอาจารย์ว่าการถวายโรงเย็นให้วัดถือว่าเป็นสังฆทานไหมครับ น่าจะ น, าน่าจะเป็นสังฆทานของพร้อมพระมันคงยังไม่เอาไปเนอะก็เอาไว้สําหรับใช้กับทุกคนที่ตายเป็นกิจกรรมของวดัดเป็นสมบัติของวัดไปค่อคําถามข้อต่อไปจากคุณวีรพงค์ค่ะถ้าถวายกรถิ่นมีพระสงฆ์ไม่ถึงสี่รูปแล้วไปนิมนต์พระมาจากวัดอื่นเพื่อให้ครบสี่รูปเรียกว่ากรถิ่นไหมครับกรถินปลอมไง เพราะว่าคําหมายของกระถินก็คือต้องถวายให้กับพระที่อยู่จำพรรษาในวัดนั้นครบทั้งพรรษาบี mm hmm. วันนั้นอาจจะมีพระแค่สามรูปอย่เยก็ hmm. มีครบไม่ไม่ครบองสง mm hmm. ก็เลยไปนิมนต์พระจากวัดอื่นมามาให้ครบก็เลยเป็นั เ, นเรียกว่ากระถินเทียมก็ได้เพราะว่ามันไม่ได้เป็นไปตามพระวินยัยพระวินัยบัญญัติว่า พระที่จะรับก็วัดที่จะรับกรถิ่นได้ต้องมีพระห้ารูปขึ้นไปนะ้อแล้วต้องเป็นพระที่อยู่จำพรรษาในวันนั้นตลอดทั้งพรรษายัางถึงจะรับกรถินได้แต่สมัยนี้เขาก็เลยเอากรถินเทียนเพราะเพราะเาะญาติโยมไปติดคําว่ากรถิ่นกันคำว่าเท ว, วายกรถินแล้วได้บุญมากกว่าถวายผ้า ป, ป่าความจริงมันไม่ได้อยู่ที่กรถินหรือผ้า ป, ป่า มันอยู่ที่ของที่เราถวายมากหรือน้อยถวายมากก็ได้บุญมากถวายน้อยก็ได้บุญน้อยเช่นถวายผ้ากรถินหนึ่งผืนกับถวายผ้าป่าสามผืนเนี่ยถวายผ้าป่าได้บุญมากกว่าถวายผ้ากรถินหนึ่งผืนผมันอยู่ที่ปริมาณของของที่เราถวายไป mm hmm. ไม่ได้อยู่ที่ว่ามันเป็นกรถินหรือเป็นผ้าป่าคําว่ากรถินผ้าป่าอันนี้ท่านหมายถึงผู้รับผู้รับจะได้รับประโยชน์เพราะ มีอยู่ช่วงยุคแรกๆนี้ไม่มีการถวายผ้าพระต้องไปหาผ้าป่าในป่าช้างเนี่ยเรียกว่าผ้าป่าผ้าห่อศพนี้พอผ้ามาบวชมากๆผ้าห่อศพไม่พอใช้เลยพระอะไรมีจีวรไม่พอที่จะไปเปลี่ยน เวลาฝนตกก็เปียกก็ต้องห่มผ้าเปียกๆพระพุทธเจ้ า, าเห็นก็สงสารเลยบอกให้ญาติโยมมาว่าต่อไปนี้ให้ถวายผ้าให้กับพระนะจะได้บุญมากจะได้อ น, นิสงฆ์มากจะได้ประโยชน์มากไม่ได้บุญมากท่หมายถึงอ น, นิสงฆ์คือประโยชน์ประโยชน์กับผู้รับผู้ให้ก็เหมือนเหมือนกับเหมือนเหมือนกับให้อะไรนะ่ะบุญมากอยู่ที่ให้มากให้น้อยประโยชน์อยู่ที่ว่าของที่ให้นั้นมีประโยชน์กับผู้รับหรือไม่ ตอนนั้นขาดผ้าถวายผ้าเลยเป็นประโยชน์มากกว่าถวายอย่างอื่นถวายอาหารก็ถวายมากพอแล้วตอนเช้าแต่ไม่มีการถวายผ้าเลยก็เลยต้องบอกให้ถวายผ้ากันก็เรียกว่าเป็นผ้ากรถินคือเป็นผ้าที่ยังไม่ได้มาตัดมาเย็บเป็นผ้าที่ให้พระมาตัดเย็บมาย้อมเอาเองเป็นผ้าขาวอันนี้เรียกว่าผ้ากรินเออ ผ้าป่าก็คือผ้าห่อศพสมัยก่อนพระก็ต้องไปหาผ้าห่อศพมาทำเป็นเอามาซักมาย่อมาตัดมาย็บเป็นผ้าจีวรทีนี้ผ้าบวชมากๆผ้าห่อศพไม่พอดันต้องบอกขญาติโยมถวายผ้าเรียกว่าเป็นผ้ากระถินมีประโยชน์มากเพราะขาดผ้ากันแต่ไม่ได้บุญมาก บุญมากบุญน้อยอยู่ที่ว่าถวายผ้ากี่ผืนถวายผ้ากระทิ้นหนึ่งผืนถวายผ้าป่าสามผืนผ้าป่าได้บุญมากกว่าเพราะเสียสละมากกว่าอายใอ คำถามข้อต่อไปจากคุณทวิชาค่ะจะเรียนถามว่าถึงหนูจะรวมจิตเป็นหนึ่งได้แต่เวลาออกจากสมาธิก็ยังไม่สามารถมีสติรู้สึกตัวตลอดเวลาได้จะต้องทำอย่างไรคะก็ฝึกสติต่อไปไง เมื่อเาจากสมาธิก็เริ่มพุโทโธพุทโธต่อเหมือนตอนก่อนที่เราจะนั่งสมาธิเราต้องฝึกตลอดเวลาไม่ใช่แต่เฉพาะก่อนที่จะมานั่งออกจากสมาธิแล้วเราก็ต้องฝึกต่อไปสติสติขาดไม่ได้เลยต้องมีสติตลอดเวลาถึงจะควบคุมจิตได้ตลอดเวลาคุณทวิชาถามต่อค่ะว่าตัวรู้ในจิตที่รวมอยู่เป็นตัวรู้ในวิมุตหรือเปล่าคะคือคาว่าวิมุตเนี่ยมันไม่ได้ มันไม่ได้อยู่ในอยู่ในจิตแล้วไม่ในจิตคําว่าวิมุตต์แปลว่าหลุดพ้นจิตที่หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดแล้วก็เรียกว่าวิมุตต์จิตวิมุตต์คือจิตที่ไม่เกิดจิตที่ไม่มีความทุกข์ก็เรียกว่าจิตวิมุตต์เท่านั้นเองถ้ายังมีการมีความทุกข์อยู่ยังมีความอยากอยู่ยังมีกิเลสอยู่ก็ไม่เป็นจิตวิมุตต์เป็นจิตวัตตะวัตตะสงสารจิตเวียนว่ายตายเกิดต่างกันแค่ตรงนั้นเอง คำถามข้อต่อไปจากคุณพิทักษ์ค่ะในการภาวนาบางวันจิตรู้สึกสงบมากสามารถอยู่ในความสงบได้นาน แต่บางวันไม่สามารถจะพยายามภาวนาอย่างไรจิตก็ไม่สงบเท่าที่ควรหรือสงบเหมือนที่เคยผ่านมาไม่ทราบว่าเป็นเรื่องปกติไหมครับที่จิตแต่ละวันจะเจอความสงบได้ไม่เหมือนกันในการภาวนาและมีวิธีรักษาจิตให้สงบราบเรื่อต่อเสมอไปไหมครับเหตุที่ทำให้จิตสงบหรือไม่สงบมันก็มีอยู่สองส่วนส่วนในจิตเองก็คือสติ บางวันก็มีสติมากบางวันก็มีสติน้อยส่วนที่ทําให้จิตสงบหรือไม่สงบที่อยู่ข้างนอกก็คือเหตุการณ์ต่างๆบางวันไปเจอเหตุการณ์วุ่นวายเรื่องราวมากจิตก็วุ่นมากฟุ้งมากก็สงบยากบางวันเจอแต่เรื่องดีๆทุกอย่างเรียบร้อยลงตัวอจิตมันก็สงบง่ายอฉแค่มันมีสองส่วนส่วนที่เราควบคุมได้ก็คือสติเ เราต้องหมันฝึกสติให้มีมากๆอยู่เรื่อยๆให้มีอย่างสม่าเสมอแต่ส่วนภายนอกนี้เราควบคุมบังคับไม่ได้บางวันก็มีเรื่องน้อยบางวันก็มีเรื่องบ้างบางวันก็เรื่องเบาบางวันก็เรื่องหนักเนี่ยพอมันมีเรื่องที่มันหนักก็สงบยากเรื่องเบามันก็สงบง่ายเรื่องน้อยก็สงบง่ายเรื่องมากก็สงบยากเป็นต้นเนี่ย ถ, ถ้าเราอยากจะควบคุมเหตุการณ์ภายนอกก็ต้องไปอยู่คนเดียวมันจะไม่มีเรื่องก็มายุ่งเลยคนที่ปฏิบัติก็ถึงไปอยู่คนเดียวกันไปเปีกวิเวกกันจะได้ควบคุมได้ทั้งสองส่วนส่วนภายในยก็คือสติส่วนภายนอกก็เหตุการณ์ต่างๆอยู่กับต้นไม้ภูเขาใบหญ้าเสียงลมพัดไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่ไม่เหมือนอยู่กับคนพอคนแล้วแหมเรื่องมันมากเหลือเกิน คำถามข้อต่อไปจากคุณสุวิพันธ์ค่ะเราจะฝึกกำหนดสติอย่างไรให้อินทรียีแก่กล้าค่ะก็พุพโทโธไปเรื่อยๆรืน่งตาตั้งแต่ตื่นขึ้นมาจนหลับอย่าอยู่ปราศ จ, จากพุโทโธให้มันพุโทโธพุโทโธไปตลอดเวลายกเว้นเวลามันไม่คิดอะไรก็หยุดได้เื่อเวลามันคิดเรื่อยเปื่อยก็ต้องพุโทโธอย่าให้มันคิดคำถามจากทางไลน์จากคุณสายันค่ะกราบนมัสการพระอาจารย์ครับผม เวลานั่งสมาธิรู้สึกตัวบางครั้งโยกไปเองหรือบางครั้งเบาขึ้นเป็นอาการอย่างไรครับถึงถึงเป็นแบบนี้มีวิธีแนะนำให้ฝึกว่าผมนั่งสมาธิได้ถูกต้องได้ไหมครับส่วนหนึ่งก็อยู่ที่สติของเราถ้าสติเรากำลังน้อยพอเริ่มพุทโธเริ่มอะไรมันก็บางทีก็ปล่อยร่างกาย ทำภายนร่างกายโอนไปเอ็งมาอแต่ก็อย่าไปสนใจมันเวลาเรานั่งสมาธิแล้วให้อยู่กับพุทธโธไปอยู่กับลมไปมันจะเอง็งมันจะเอีอยงไรเงี้ยก็อย่าไปสนใจจนกว่ามันจะล้มพับลงไปกยลุกขึ้นมานั่งใหม่เอถ้ายัางพุทธโธได้ยังดูลมได้ก็ดูไปถ้าเราโมงกังวลกับเรื่องร่างกายเดี๋ยวก็ไม่ได้ไม่ได้นั่งสมาธิไม่ได้ภาวนาเอ คำถามข้อต่อไปจากคุณพุทธคุณค่ะขอเรียนถามว่าถ้าคนทำบุญชอบช่วยเหลือคนอื่นทำประโยชน์อยู่เรื่อยๆแต่ชอบดื่มเบียร์ทุกวันชอบเที่ยวหาความสุขจะท่งผลอย่างไรครับก็ได้ทั้งบุญได้ทั้งบาปนะได้ทั้งสองอย่างบุญก็ทำบาปก็ทำก็เหมือนกับมีมีทั้งเงินฝากมีทั้งเงินกู้ มันถึงเวลาตายมันก็จะมาคิดบัญชีกันว่าเงินฝากกับเงินกู้อันไหนมากกว่ากันถ้าเงินกู้มากกว่าก็ติดหนี้ต้องไปใช้หนี้ถ้าเงินฝากมากกว่าเงินกู้ก็มีเงินเหลือก็ไปเที่ยวต่อได้ทําบุญทําบาปในชีวิตก็เหมือนกันพอตอนตายก็มาคิดบัญชีกันถ้าบาปมากกว่าบุญก็ไปอาบายไปใช้หนี้ในอาบายถ้าบุญมากกว่าบาปก็ไปเที่ยวในสวรรค์ อันนี้ก็คือเรื่องของบุญของบาปพระพุทธเจ้าถึงสอนให้ทําทั้งสองอย่างให้ทําบุญละบาปถ้าทําบุญอย่างเดียวบาปบาปไม่ละมันก็ได้ทั้งสองอย่างได้ทั้งบาปได้ทั้งบุญคำถามข้อต่อไปจากเฟซบุกคุณดาริค่ะ กราบเรียนถามค่ะกรณีเราให้แนวทางการแก้ปัญหาด้วยเหตุผลและคิดดีในการช่วยส่วนรวมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องและทํางานร่วมกันแต่เขาใช้ตําแหน่งทําอย่างไม่ถูกต้องไม่รับความคิดเห็นของเราเราจะต้องทําใจในการยอมรับผลที่จะเกิดขึ้นอย่างไรคะถ้าเกิดความเสียหายค่ะกราบขอบพระคุณมากค่ะก็เราทํำดีที่สุดแล้วเท่าทีว่าเป็นเรื่องสุดวิสัยไป ขับรถแล้วก็ขับดีแล้วแต่รถวิ่งตัดหน้ามาชนกันมันก็เรื่องสุญญิสัยก็ต้องยอมรับเหตุการณ์ว่าผลที่เกิดขึ้นไปถ้าไม่อยากจะมีอุบัติเหตุทางรถยนต์ก็อย่าไปขับรถอยู่บ้านถ้าไม่อยากจะมีปัญหากับใครก็อย่าไปทํางานหรือทางานคนเดียวขายเครื่องสำอางไปขายประกันไปก็จะได้ไม่มีปัญหากับใคร ค ำ, คำถามสุดท้ายนะค่ะคำถามสุดท้ายจากคุณปิงค่ะขอเรียนถามหลวงพ่อเจ้าค่ะสภาวะที่เหมือนจิต มันเห็นว่ามีการปรุงแต่งเกิดขึ้นมันเหมือนมีสิ่งหนึ่งเห็นจิตมันปรุงแต่งสิ่งที่เห็นจิตมันปรุงแต่งนี้นั้นคืออะไรเจ้าคะก็คือจิตงไงจิตที่มีสติก็จะเห็นถ้าจิตไม่มีสติก็จะไปเห็นอย่างอื่นแทนไปเห็นคนนูน้นคนนี้แต่ไม่เห็นตัวจิตที่ปรุงแต่งว่ากำลังอยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้ขึ้นมาเั็นอยู่ที่การฝึกสติ ถ้าเราฝึกสติเราจะดึงจิตเข้ามาดูจิตดูข้างนอกด้วยแล้วก็ดูดูจิตด้วยดูทั้งสองอย่างถ้าไม่มีสติมันก็จะดูของข้างนอกอย่างเดียวเวลาจิตโลภก็จะมองไม่เห็นเวลาจิตโกรธก็จะมองไม่เห็นถ้าเรามีสติมันจะเริ่มเห็นเพราะเราจะดึงจิตเข้าข้างในไม่ให้ไปทางข้างนอกมากเกินไปไปเท่าที่จําเป็นถ้าเราเห็นถ้าเราเห็นก็แสดงว่าเรามีสติ ถ้าเราเห็นจิตเริ่มมีอาการอย่างนั้นอย่างนี้โกรธเกลียดขึ้นมาเราแสดงว่าเรามีสติแต่ถ้าเราโกรธเราเกลียดแล้วเราไม่รู้นี่แสดงว่าเราไม่มีสติเหมือนค น, มนเมาเหล้าไม่รู้ทำอะไรไม่รู้ว่าตัวเองทำอะไรไม่มีสติดงนั้นฝึกสติให้เยอะๆแล้วจะเห็นจิตเห็นาการกระทำงานของจิตเห็นความโลภความโกรธความหลงของจิตเมื่อเห็นแล้วเราก็จะหยุดมันได้แก้มันได้